ตอนจบอยู่ที่ติดวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมส อ, องพันห้าร้อยห้าสิบแปดอกราบนมัสการพระคุณเจ้าสมณเณรคุณเมธีกัละมิตรทุกคนนะก็นั่งสบายๆเนาะคุณเคยกับว่าทุกคืนวันเสาร์ตอนนี้ย้ายมาเป็นวันอาทิตย์นะก็ถือโอกาสพูดคืนนี้เลยพรุ่งนี้ กาญมิตรหลายท่านก็จะกลับกรุงเทพนะพรุ่งนี้เช้าหกโมงครึ่งเราทำบุญตักบาตรภิกษุสามเณรคุณเมชีปินตบาทที่ฐานพระใหญ่ตอนเช้าหกโมงครึ่งนะตอนเย็นเราทำวัดเย็นเสร็จแล้วก็ไปเวียนเทียนเป็นประเพณีทุกๆปี วันวิสาขบูชาเนี่ยเป็นวันสำคัญสำหรับพวกครูนะเป็นวันที่สำคัญที่สุดของพุทธศาสนาเพระพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในวันนี้ตัดสัรู้ในวันนี้แล้วก็ปรินิพานในวันนี้วันเดือน เดียวกันคนละปีเท่านั้นเองนะซึ่งไม่ค่อยเกิดขึ้นได้ง่ายแล้วก็สหประชาชาติก็นับวันนี้เป็นวันสากลนะวันสันติภาพของโลกเราชาวพุทธที่เขาจัดพิธีกรรมคืนพรุ่งนี้นะคือพรุ่งนี้ทั้งโลกไม่ว่านิกายไหนนะก็มีจัดกิจกรรมวันวิสาขาบูชา นะเพื่อแสดงออกถึงความระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นวันพระพุทธก็ได้วันเดือนปีจริงๆแล้ววินาทีเดียวกันด้วยวินาทีนั้นน่ะความเป็นเจ้าชายศิตถานั้นดับแล้วถ้าไม่ดับนะ่ะผู้รเจ้าเกิดขึ้นไม่ได้ตัดสรูว้วินาทีนั้นผู้เจ้าเกิดขึ้นในวินาทีนั้นวินาทีเดียวกันสามสิ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน ก็เมื่อกี้พอครูเดินมาเห็นเราทำวัดเย็นนะท่านก็เป่องออกมาว่าจิตเราสิ้นไปแห่งตัณหาพระองค์รือเรือนพระองค์ทิ้งหมดแล้วก็ไม่สร้างเรือนอีกต่อไปอันนี้เป็นภาษาธรรมซึ่งมันสวนทางกับภาษาโลก ภาษาโลกเราเกิดขึ้นปุ๊บเราก็ถูกสอนให้เรียนเก่งๆหาเงินเยอะๆแล้วก็สร้างฐานะสร้างครอบครัวสร้างเรือ น, นแล้วเราก็หลงสร้างเรือนมาหลายชาติเยอะมากเกิดมาก็ลืมอีกก็ทำเรื่องเก่าๆมันเป็นที่จิตคุ้นเคยกับสิ่งนั้นมันเป็นวิบากกรรมส่วนหนึ่งทำให้เรามาเกิดมามันก็มาทำอีกทาเรื่องเก่าๆทำเรื่องเก่าๆ วินาทีที่เจ้าชายชินทาตสัสลูรมเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านั้ น, นพระองค์อุทานออกมาเลยนะพระองค์ลือเหลือนทิ้งทั้งหมดทํำลายอัตตาตัวตนที่เราไปยึดมั่นถือมั่ น, นมันมันสวนทางกับวิถีโลกอันนี้ไม่ต้องว่าเราละลึกชาตินะหลายคนก็ไม่เชื่อเรื่องอดีตชาติก็ไม่ต้องไปพูดถึงพูด พูดชาตินี้แหละชาตินี้4ี่สิปีพรอคูก็วิ่งไปตามโลกก็ถูกสอนมาอย่างนั้นเรียนเก่งๆหาเงินเยอะๆอนาคตเมื่อรวยแล้วจะมั่นคงนั่นแหละคือความสุขก็ซื่อสัตว์มากกับคำสอนนั้นกัดฟันสู้ทนต่อสู้อยากได้อะไรก็ได้หมดแล้วแต่พรอครูหาความสุขไม่เจอ มันมีแต่ความสะใจความพึงพอใจชั่วครู่มันไม่ใช่ความสุขแท้วินาทีที่ผู้ิเจ้าตัดสรูนั้นน่ะถ้าทางญี่ปุ่นสายเซนนะเขาเรียกว่าซาโตริภาษาอังกฤษบอกสับเดลี่คือมันฉับพันแค่พิกจิ พ่อครูสัมผัสอารมณ์นั้นมาแล้วเมื่อ26ปีก่อนถ้าเราไม่เข้าถึงตรงนั้นเราจะไม่มีวันเข้าใจแล้วก็ยากที่จะเข้าใจอธิบายแค่ไหนก็จับต้องไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ถ้าคิดตามเหตุผลแบบตรรกะไม่มีทางทีนี้ชีวิตเราเองเนี่ยมันผ่านตรงนั้นมาแล้ว นะี่ปีวิ่งไปตามโลกอย่างซื่อสัตย์สร้างฐานะสร้างอนาคตนะคิดทุกเรื่องที่เราได้ยินคิดทุกเรื่องที่เรามองเห็นคิดคิดคิดคิ ด, คดเพราะมันมีความอยากอยากสร้างอนาคตนะเราก็มุ่งมั่นเราก็สำเร็จในทางความต้องการข อ, ของของของทางโลกเราก็สัมผัสตรงนั้น แต่เราไม่เคยเจอความสุขเลยวินาทีที่มันเกิดอาการระเบิดนะในคืนนั้นที่ว่าสามชั่วโมงนั้นเป็นครั้งแรกที่พระครูนั่งสมาธิไม่เคยรู้เรื่องศาสนานับถือศาสนาพุทธโดยกำเนิดศีลห้าบอกไม่ให้ทำอะไรทาหมดนะเราโกหกเราเป็นนักธุรกิจเราเข้าใจว่ามันเป็นเทคนิคแต่นิสัยพระครู มันแปลกมากตั้งแต่เด็กเลยไม่เคยว่าจะโกหกเพื่อจะหลอกลวงไม่เราคุ้นเคยกับว่าการไม่พูดความจริงเป็นเทคนิคแต่เราไม่เคยคิดจะหลอกลวงเขาอันนี้มันเป็นฐานเดิมของเรานะและเป็นคนใจใหญ่ใจกว้างขอมาให้เลยนักเลงเรียกว่าพี่ไอ้ตัวนี้มันค้ำยันเราโดยเราไม่รู้ตัวไอ้ตัวทานเนี่ยนะมันเป็นบารมีเก่า แต่เราก็เที่ยวเตตามภาษาคนหนุ่มไม่มีสิหนห้ากินเหล้าทุกยี่ห้อสูบบุหรี่หนึ่งสามสี่ซองทั้งหมดวินาทีที่มันจะเปลี่ยนชีวิตนั่นแหละไอ้สามชั่วโมงที่ที่มันเจอทางตันนะ น, นะเพราะเราเป็นคนเก่งเราอวดเก่งเราหลงตัวเองว่าเราเก่งทำอะไรก็สำเร็จ อัตราเยอะมากยิ่งเก่งเท่าไหร่ ย, ยิ่งทุกข์เพราะปัญหาที่เราเจอเราแก้ไม่ได้คือมันเบื่อโดยไม่รู้เหตุผลเบื่อแล้วเบื่ออีกเบื่อแล้วเบื่ออีกยิ่งคิดก็ยิ่งเบื่อถามว่าเบื่อทําไมมันก็คิดไม่ออกมันไม่รู้ว่าเบื่อทําไมทําไมเบื่อคิดปุ๊บมันก็บอกไปเที่ยวภาษาบอกไปเที่ยว แก้เซงแก้เบื่อไปคลายอารมณ์เนาะไม่ใช่ไปคลายอารมณ์นะไปเพิ่มอารมณ์ใหม่อารมณ์สนุกสนานกินเหล้าให้มันเมาเต้นลัมคือไปเพิ่มอารมณ์สนุกสนานมากบเกลื่อนความเบื่อเท่านั้นเองเหมือนปวดหัวก็กินยาพารานะแล้วก็คิดต่อเมื่อริดยามันหมดปุ๊บมันก็ปวดอีกเราแก้ปลายเหตุตลอดชีวิต ช่วงบั้นปลายตรงนั้นน่ะยิ่งคิดก็ยิ่งเบื่อเพราะว่าเราไม่เก่งอีกต่อไปเราแก้ปัญหาตัวเองก็ไม่ได้ความเบื่อมีประโยชน์เหมือนเขาบอกว่าสุนัขจนตอกมันไม่มีทางไปและนะ กำวันไปบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์กลางคืนไปดูแลร้านอาหารคนละร้านกว่าจะกลับเที่ยงคืนตีหนึ่งหิ้วถุงเงินกลับบ้านทุกวันคืนสุดท้ายที่มันเปลี่ยนชีวิตเรานั่นแหละเด็กๆ เ, เขาเคลียบบัญชีหน้าร้านเสร็จทุกคนกลับบ้านพวกครูไม่กลับลอบ็อกกุญแจร้านอาหารบังเอิญร้านอาหารไทยเรามีหิ่งพระพระบุทรรูป พวว่อครูลงไปกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเรื่องหลุดเรื่องพ้นมีจริงเนี่ยพร้อมแล้วไม่รู้หรอกจิตหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรมจิตมันคืออะไรมันหลุดพ้นไปไหนไอ้ดวงตาเห็นธรรมธรรมะมันมีกี่แขนกี่ขาก็ไม่รู้แต่สนใจคําว่ามันพ้นทุกก็มันทุกทุกเพราะมันเบื่อโดยไม่รู้เหตุผลทุกมากมาก ถ้าไม่มีสติหน่อยก็ฆ่าตัวตายอยากได้อะไรก็ได้แล้วทำไมไม่สุขล่ะเห็นหเราคิดว่าเราเก่งเราโง่กว่าลิงอีกลิงไม่ต้องเรียนหนังสือไม่ต้องทำงานไม่ต้องมีเจ้านี่ลูกนี่มันลิงโลดมันเบามากเราเก่งจริงเหรอเราเก่งล้วทำไมเราทุกข์ทำไมเราเบื่อเราแก้ปัญหาไม่ได้ถ้าปัญหาทุกอย่างนะเพราะกูเป็นคนชอบแก้ปัญหาเราเป็นนักเล่นเกม สนุกเราทําการค้ามันมันต้องมีปัญหาไม่มีปัญหามันไม่สนุกการแก้ปัญหาเนะ่ยคือการทํางานสนุกกับการทํางานแต่ไอาตัวเบื่อเนี่ยเราไม่รู้จะแก้อย่างไงเพราะเราไม่รู้ที่มาของความเบือ่อแฟบหมดเลยแฟบหมดหมดอะไรตายยากนั่นแหละลงไปกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เที่ยงคืนพอดีนะแล้วก็ลึกๆคิดอยู่ในใจว่าถ้าพูุทธเจ้ามีจริงต้องช่วยให้พ้นทุกข์ถูกบังคับให้นับถือศาสนาพูทมันตั้งแต่กำเนิดทำไมมันทุกข์อย่างนี้โดยที่ตัวเองไม่เคยศึกษาเลยพูุทธเจ้าสอนอะไรไม่เคยรู้ทำบุญสร้างวัดทำอะไรก็ตามประเพณีบางทีอยากได้หน้าอยากดัง เป็นยันกันผีเฉยๆเราไม่รู้หลอกบุญคืออะไรหลังจากท้าทายพุทธเจ้าแล้วก็นั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเป็นครั้งแรกในชีวิตที่นั่งสมาธิก็หลับตาลงไม่ถึงถึงนาทีก็คิดอีกห้องอาหารมีเราคนเดียวเงียบหมดเสียงแอมันดัง เอามาคิดอีกแอร์นี่เพิ่งเปลี่ยนใหม่ๆทำไมเสียงดังจังแพงก็แพงมันได้ยินเสียงถูมันมาดึงมารู้ที่ใจมันดึงกันไปดึงกันมาเนี่ยร่างกายเราเต้นเหมือนคนเข้าทรงมันหมุนขึ้นอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> ก็นั่งดูมันนั่งดูมันนะเต้นแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นนะตัวเราลอยขึ้นมาเลยนะ <c oughs> ประมาณครึ่งชั่วโมงได้เราไม่รู้ว่าเวลาเท่าไหร่ประมาณครึ่งชั่วโมง เหมือนมันกระแทกให้ร่างกายเราผ่อนคลายนะทีนี้มันก็พลิกกลับมาหมุนเหมือนเครื่องซักผ้าเหมือนเครื่องซักผ้านะแล้วก็พราครูเป็นโทสะจริตเป็นคนโมโหง่ายโกรธง่ายเป็นคนจริงไงนักเลงเรียกว่าพี่มันก็หมุนขึ้นมามันก็ไอร้อนออกขับไอร้อนออกไปนะธาตุไฟพุ๊บปุ๊ บ, บ, บละครั้งเหมือนเราลอยได้ เหมือนเหมือนมันเบามันเบาไม่ได้ลืมตาว่ามันลอยได้จริงไหมสักพักหนึ่งก็เหมือนเครื่องฉีดน้ำตั้งแต่ปลายเท้าในฉีดข้างนอกเนี่ยเหมือนมันชาไปหมดมาถึงใบหน้าแล้วบนศรีรษะเนี่เหมือนเครื่องเจาะเข็มเนี่เจาะทุกเส้นผมเจาะเจาะๆะเจะเจะเจะตอนนั้นลึกๆึกลึกลกลัวละ มีสติรู้ตัวตลอดเห็นชัดเจนว่ามันทำอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นกลัวว่าถ้าเป็นอะไรไปเนี่ยครอบครัวจะทำอย่างไรวินาทีนั้นลูกสาวคนโตน้องขี่อายุขวบหนึ่งพอกลัวปุ๊บมันมาหมุนที่หัวเน่หมุนหัวเลยมีความรู้สึกว่ามันไม่มีกระดูกแล้วมันหมุนรอบเลย จริงๆแล้วมันก็น่าจะแค่นี้แหละแต่ว่าสภาวะเราเหมือนมาเราเอาไม่อยู่มันมันหมุนเลยไม่มีหัวเอาไม่อยู่ละมันพยายามสลัดความคิดกลัวออกทีนี้ไอ้ความเบื่อมันลอยขึ้นมามันไบอกว่าเบื่อไงความเบื่อนี้ได้ประโยชน์ความเบื่อนี่ชนะความกลัว วินาทีนั้นมันเอาความเบื่อเจ็ดแปดปีสุดท้ายเนี่ยมันสะสมมามันทาให้เห็นตัวเบื่อเบื่อตัวใหญ่เบอรเลยอันนี้ชนะความกลัวมันเหมือนตัดสินใจวินาทีสุดท้ายว่าตายก็ตายจะอยู่ไปทำไมมันทุกข์ความเบื่อชนะความกลัวมันก็เกิดอาการระเบิดขึ้นล้มหายลงไปข้างหลัง คำว่าสว่างสงบสะอาดไม่ใช่เรารู้สึกนะตัวเราตายไปแล้วไม่มีคนรู้สึกเหมือนเรากลายเป็นสิ่งนั้นสว่างไปหมดนะกะเข้าๆว่าสักประมาณตีสองกว่าๆนะอาการนั้น น, นนะแล้วก็นอนนิ่งอยู่ตรงนั้นแหละอยู่กับสภาวะนั้น พอลืมตาอีกทีหนึ่งตีสามพอดีเห็นนาฬิกานะพอลืมตาขึ้นมามันก็สว่างหลับตาใหม่ก็สว่างลืมตาก็สว่างไม่มีอะไรแตกต่างระหว่างข้างนอกกับข้างในแต่เกิดมาไม่เคยมีความสุขขนาดนั้นที่มันสุขเพราะมันไม่รู้สึกกังวลไม่รู้สึกทุกข์เลยความเบื่อมันก็หายไปไหนไม่รู้คนคนเบื่อก็ไม่มี ดินนาทีนั้นมันเหมือนอุทานขึ้นมารู้แล้วความสุขที่แท้จริงคือความไม่มีทุกข์ความไม่มีทุกข์ที่แท้จริงคือความอิสระแล้วก็เดินไปไปตู้เย็นนะแอร์เย็นทั้งหมดนะในร้านอาหารมีอยู่คนเดียวแต่เหงื่อนี่เต็มไปหมดเลยเหงื่อท่วมตัวเลยนะเดินไปเหมือนคนไม่มีน้าหนักเบา ไปเปิดน้ำดื่มเสร็จบุหรี่ยังอยู่ในกระเป๋าก่อนจะนั่งยังสูบบุหรี่มันก็จับบุหรี่ขึ้นมาสูบสูบไม่ได้เหม็นทิ้งเพราะรู้ทั้งรู้ว่าสูบบุหรี่มันไม่ดียี่สิบกว่าปีพยายามเลิกสี่ครั้งไปปรึกษาคุณหมออะไรๆมาอมยาอะไรสุดท้ายก็ไม่สำเร็จแต่วินาทีนั้น มันสู่ไม่ได้ก็ทิ้งโดยไม่หาเหตุผลก็เดินกลับไปกราบพระพุทธพอนึกว่าพระธรรมปุ๊บเนี่ยมันเหมือนตอนนี้เรียกว่าปิติสัมโพชงสมัยก่อนไม่รู้ภาษาตรงนี้มันยิ่งกว่าปิติในชีวิตเราปิติเพราะเราได้อะไรเราก็ปิติยินดีอันนี้ไม่ใช่มันเป็นเบาไปหมด ลึกๆมีความรู้สึกว่าเลิกนับถือพุทธเจ้าทันทีในเวลานั้นนะเพราะคำว่านับถือเนี่ยมันหยาบเกินไปบูชาถวายชีวิตพระองค์ไม่ลังเลสงสัยนั่นคือจุดเปลี่ยนเขาเรียกว่าซาโตลิฉับพันแค่พิจิตไม่ใช่เราเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนจากเป็นคนคิดมาก แล้วก็คิดน้อยกว่าเก่าหรือเปลี่ยนมุมความคิดมันไม่ใช่ไปเปลี่ยนความคิดมันหยุดคิดเลยเดี๋ยยี่สบกปีมาอยู่ที่นี่ไม่ต้องคิดเลยเพอเหตุปัจจัยทําอะไรมันก็ไปยืนดูปุ๊บมันก็ะวาดภาพบอกมาก็ทําทําทําไม่ต้องวางแผนมันไม่มีอนาคตทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากตัวเราเป็นไมเกรนเป็นโรคกระเพาะมันหายเดี๋ยวนั้นเลย คิดจนเป็นไมเกรนนะแต่ยี่สบกปีมาเราไม่ต้องคิดเลยมันก็ไม่ต้องปวดหัวไม่แต่ครั้งหนึ่งอันนี้แหละที่ว่ามันไม่ทุกนั่นคือความสุขละ่ะสมัยก่อนเราทุกพอเราปวดหัวเราก็ไปแก้ปลายเหตุอวดเก่งอีกไปกินยาระ้งับประสาทไม่ให้มันรู้สึกปวดแล้วก็คิดต่อทุกวันนี้เราแก้ปัญหาชีวิตเราที่ปลายเหตุแต่เมื่อจิตมันสาสารต้นเหตุของมันแล้วเนี่ย นะมันไม่มีความอยากแล้วมันไม่มีอนาคตแล้วเนี่ยมันไม่มีเหตุต้องคิดอีกแล้วที่เราคิดเพราะเรามีอนาคตเราจึงคิดวางแผนเมื่อมันไม่มีอนาคตแล้วมันไม่ต้องคิดแต่พวกเราไม่เชื่อไม่มีทางไม่คิดทำงานได้เหรอนั่นแหละกิเลสนะเราถูกฝึกให้คิดจนเคยชินเราก็คิดว่ามนุษย์เราต้องคิดพู้เจ้าบอกคิดก็คือมโนกรรมการสร้างกรรมทางความคิด วจีกรรมถ้าเราพูดดีพูดดีเป็นสีแก่ตนหมายถึงว่าพูดดีพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นการให้ธรรมทานได้บุญเยอะๆแต่ถ้าพูดร้ายเป็นการสร้างวจีกรรมวจีกรรมสร้างกรรมทางพูดการการพูดกายกรรมเอาร่างกายไปไปกระทําถ้ากระทําโดยเจตนาดีก็เป็นกรรมดี ถ้าทำโดยเจตนาไม่ดีก็เป็นกรรมชั่วคนอื่นไม่รู้แต่จิตเราบันทึกไว้เรียบร้อยแล้ว เ, เมื่อเราเข้าถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยไอการลังเลสงสัยอะไรไม่มีอีกแล้วก็หลังจากเกิดอาการนั้นแล้วเนี่ยพระครูก็ขับรถกลับบ้านไม่อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่นอน ขับก็ไปวัดไทยตั้งตั้งแต่เขาเปิดวัดไทยไม่เคยไปเลยเขาเปิดเพลงทำวัดเช้าเนี่ยเสียงมันอยู่ข้างนอกระบบประสาทเราเปลี่ยนหมดมันอยู่ข้างนอกมันไม่เข้าไปข้างในทุกอย่างมันเปลี่ยนอาบน้ำช่วงนั้นอาบน้ำเนี่ยคล้ายๆถูสบู่ไอ้สบู่ก็ไอ้ไอ้ไอยี่ห้อกเก่านั่นแหละ วันนั้นอาบเหมือนมันสบู่ไม่ออกเหมือนมันลืน่นลื่นหมดยังไงก็ไม่ออกมันเปลี่ยนหมดแล้วไม่ใช่เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความคิดออตอนนั้นเราชอบขาวเราเปลี่ยนชอบดําไม่ใช่มันเปลี่ยนจากคนคิดมากคือไม่คิดเลยเพราะมันไม่มีเหตุต้องคิดเมื่อมันไม่ต้องคิดมันก็ต้องสร้างมนโนกรรมเมื่อมัไม่สร้างโมกต์กรรมมันก็ไม่ต้องปวดหั ว, วไม่ต้องรับกรรมโดยการปวดหั ว, วนี่เขาแก้ที่ต้นเหตุของเขา ผู้เจ้ายิ่งใหญ่มากพระองค์ไปเห็นว่าต้นเหตุที่ทําให้เราทุกข์คือตัวตัญหาทุกขสมูทัยนี้โลดมักอะไรคือตัวทุกข์อะไรคือเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์ก็คือตัวสมูทัยก็คือตัวตัญหาเมื่อเราดับตรงนั้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์นะมันเป็นอะไรง่ายๆไม่ซับซ้อนไม่ซ่อนเงื่อน ตรงๆตรงๆนะ <_ C 1> ทีนี้ในตัวเราเนี่ยไอ้ส่วนไหนเป็นตัวรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ส่วนไหนเป็นตัวที่มันทำให้เรารู้สึกสุขรู้สึกทุกข์มันอยู่ที่จิตทั้งนั้นแหะทุกอย่างจบอยู่ที่จิตแต่อารมณ์มันเกิดขึ้นที่ใจแต่จิตเป็นตัวรับรู้ตัวกับทุกอย่างจบอยู่ที่จิตในชีวิตเราในร่างกายเราเนี่ยมันประกอบด้วย ส่วนประกอบดินน้ำลมไฟแล้วก็วิญญาธาตุแยกเป็นสองส่วน ใ, นใหญ่ๆคือกายกับจิตนะกายกับจิตกายนี่มันประกอบด้วยดินน้ำลมไฟพอตายแล้วเอาไปเผามันก็กลายเป็นอากาศธาตุที่เหลือก็เป็นธาตุดินมั น, ม, น ม, มันไม่ใช่ของจริงในตัวเรามีของจริงอย่างเดียวเท่านั้นคือจิตกี่พันองศา ก, ก็เผาไม่ได้ ธรรมชาติบอกว่าเธออย่าค้ากําไรเกินควรคิดว่าจะหนีนี่เหรอคิดว่าฆ่าตัวตายจะจบเหรอคนฆ่าตัวตายเนี่ยเวลวร้ายกว่าไปฆ่าคนอื่นกว่าเราจะได้ชีวิตอยู่ในร่างมนุษย์ผู้เปรศเนี่ยมาดูเรียนคิวมากี่พบกี่ชาติขาสติจนท้อถอยฆ่าตัวตายเราคิดว่าจบนะวันที่เราฆ่าตัวตายคือวันเริ่มต้นวันจิตเกิดใหม่ทันที เป็นกรรมแรกถ้าเราเข้าถึงจิตเดิมเราแล้วเนี่ยคาว่าปัญญาเนี่ยไม่ได้ไปว่ารู้มากไม่ต้องไปเพิ่มความรู้อะไรเลยปัญญาคือรู้แจ้งเห็นจริงเพราะมันผ่านชีวิตมามากแล้วอะไรก็ไม่ใช่มันเป็นมหาเศรษฐีเป็นกษัตริย์เป็นขุนศึกเป็นเทวดาเป็นกรสุนลกายเป็นมาหมดแล้วทําไมมันจะไม่รู้ เมื่อจิตปัจจุบันไปเสพตัวนั้นแล้วเนี่ยมันรู้ว่าเป็นอะไรก็ทุกจากนี้ไปมันไม่ต้องการเป็นอะไรทั้งนั้นเมื่อเช้านี้น้องดีจังเขาตื่นแต่เช้าพวกเรากําลังฝึกมรณานุสติแกเดินมาถามพ่อครูว่าพ่อครูครับทุกคนต้องตายเหรอพ่อพครูบอกว่าใช่ครับ เขาทำหน้าเศร้าแต่พ่อคูถามว่าถ้าไม่อยากตายทำยังไงเขาคงเคยได้ยินแม่เขาพูดเขาบอกก็ไม่ต้องเกิดครับมีทางเดียวเท่านั้นถ้าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายจำแม่นๆอย่าเกิดอีกและทุกคนทำได้เราเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐกว่าจะได้เกิดในร่างมนุษย์เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาอย่าดูถูกตัวเองนะไม่เคยเข้าวัดเข้าว่า พ่อครูก็ไม่เคยเข้าวัดเขาวาทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้มีคนแย้งพกก่อครูว่าพกก่อครูบอกสัตว์โลกต้องเป็นไปตามกรรมก็ปล่อยไปตามกรรมสิมาปฏิบัติทําไมเอ๊ะพูดคล้ายๆมีเหตุผลนะนะแต่มันเป็นเหตุผลครึ่งเดียวไอ้กรรมเน่ยส่งให้เรามาเกิดอยู่ในร่างผู้หญิงผู้ชายไอคิวสูงไอคิวต่ําเกิดมาเป็นเพียรเป็นง่อยอ เป็นใบไม่สมบูรณ์ไม่ใช่พระเจ้าที่ไหนกำหนดกรรมเรากำหนดนั่นคือกรรมเก่ากาหนดแต่กรรมปัจจุบันเนี่เปลี่ยนชีวิตเราได้อยู่ที่ว่าเราขี้เกียจเราก็ปล่อยไปตามกรรมน้ำก็ไหลลงที่ต่ามันก็ส่งผลไปตามกรรมแต่ถ้าเราทวนกระแสน้ำเหมือนปลาเป็นทวนน้ำปลาตายตามน้ำปลาน้าจืดมันทำไมรู้ว่าต้องทวนกระแสเพราะว่ามันไม่ได้ไปโรงเรียน ถ้ามันไปโรงเรียนมันจะมักง่ายมันจะกลัวไม่ทันเขามันก็ไปตามเขาตามไปว่าไม่ทันมันมีสัญชาตญาณญาณรู้ซึ่งเป็นสัญญาในอดีตชาติมันจำได้หมายรู้ว่ามันต้องทวนกระแสถ้ามันมักง่ายมันตามกระแสไปแค่ครั้งเดียวนะมันออกทะเลมันตายหมดทำไมปลามันไม่กระทำเพราะมันมีสัญชาตญาณแล้วสัญชาตญาณมนุษย์เราเนี่ยหายไปไหนหมด เราถูกความรู้ผิดครอบงำแล้วก็ความรู้ผิดตรงนี้คืออวิชชาแล้วก็สร้างกิเลสตัณหาอุปทานขึ้นมามากรบเกิือนสัญชาตญาณเดิมเราหมดไอ้ปัญญาที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติมันถูกล็อกไว้หมดเลยผู้เจ้าก็ไปตัดสรุ้สิ่งนี้ไงผู้เจ้าถึงบอกว่าต้องขัดเกาจิตให้ผ่องใสขัดไอ้ม่านบางตานี้ออกแล้วก็เข้าไปสู่จิตเดิมเราปัญญามันก็จะแสดงตัว ทุกดวงจิตที่นั่งอยู่ที่นี่เรามีพุทธจิตอยู่แล้วไม่ละเว้นใครมีหมดอยู่ที่ว่าใครจะเข้าไปถึงมันแล้วตอนนี้เนี่ยเราปฏิบัติธรรมเราจะเข้าไปเข้าไปจิตไหมเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่สังคมไทยอย่างเดียวเพราะกูก็ออกไปทั่วโลกแล้วแต่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยไปอินเดียไปประเทศจีนประเทศสองวัฒนธรรมใหญ่ นะซึ่งมีพื้นฐานพุทธศาสนาตอนนี้ปฏิบัติธรรมแค่ฝึกสมาธิจเจริญสติเราไม่ได้เข้าไปสะสางคดีความในจิตใต้สำนึกเราหลายปีก่อนมีพระคุณเจ้าภิกษุณีแล้วก็พระอาจารย์มาจากไต้หวันเป็นพระเถระเดินทางมาที่นี่ ท่านได้ยินข่าวพ่อครูท่านก็บอกว่าท่านมีพลังตรงนี้นะท่านฝึกเซนอะซาตโตริไปฝึกญี่ปุ่นเนะี่ยท่านบอกมันหมุนแล้วเนี่ยท่านมาถามพ่อครูว่าจะเข้าไปในจิตได้ยังไงพ่ครกูก็บอกว่าอาจารย์เปิดประตูก็เข้าไปเลยก็เราไม่เข้าไปไงเรามอยจะไปฝึกสร้างพลังเราเนี่ยเวืเ่เราชกกระสอบเราเป็นนักมวยชกชกชกชกกอยู่ท่านั้นแข็งแรงมากไม่เคยขึ้นเวทีเลยมันจะเกิดทักษะเหรอ พสอบมันชกเราคืนไม่ได้ภาษานี่มันหยาบเกินไปที่พูดออกมาปุ๊บทุกคนจะเข้าใจเหมือนกันเพราะครูไม่ใช่ชอบนะครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุหรือโยมคนไหนกระชั่งที่เป่งวาจาออกมาแล้วเนี่ยมันใช่เพราะครูจะเอามาใช้หมดเพื่อให้เราเข้าใจง่ายๆลังหลวงปู่ดุลของเราเนี่ยท่านพูดว่าจิตเห็นจิตคือมรรค ขของจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแก้งคือนิโรธอันนี้แหละปฏิบัติธรรมไม่ใช่ฝึกสติฝึกสมาธินะทีนี้ลูกศิษย์ลูกหาท่านบังพอท่านจากไปแล้วเนี่ยก็ว่าจิตเห็นจิตคือมรึกก็เลยไปนั่งดูจิตเพราะอยากเห็นมันเห็นไหมคาว่าภาษาเห็นก็ต้องดูด้วยตาก็ไปนั่งดูมันดูจิตดูจิตดูจิต บ้านหลังนี้มันชื่อว่าจิตเราก็ไปนั่งดูมันแล้วก็เห็นเงาของมันเราไปส่องหน้าต่างดูข้างในมันยังเปื้อนเหมือนเก่าตายก่อนทีนี้พระกุณเจ้าจากไต้หวันทำไงก็พระอาจารย์ไม่เข้าไปเองเนี่ยมว่าจะมาฝึกกาลังอยู่ข้างนอกก็เปิดประตูบ้านเข้าไปในจิตเปิดประตูเข้าไปเลยแล้วก็เข้าไปปุ๊บแล้วไปขัดเก่าจิตให้ผ่องใสไม่เข้าไปมันจะไปขัดเก่าได้อย่างไรคําว่าจิตเห็นจิตไม่ใช่ไปนั่งดูมัน เข้าไปสัมผัสมันกายในกายเวทนาเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเห็นไหมภาษามันจะติดบว่วงเมื่อเดือนที่แล้วหลานหมอเป่าตัวเล็กๆเหมือนกันเท่ากับดีจังนี่แหละเขาก็นั่งหลับตาเขาก็นั่งหมุนนะพระครูก็บอกว่าสมาธติตั้งมั่น สติตือนรู้ระวังเฝ้ามองเขาออกมาเขาก็ถามอาเขาว่าให้ผมหลับตาแล้วผมจะไปมองเห็นอะไรเห็นไหมหลับตาเด็กมันก็เข้าใจว่ามองมันต้องลืมตาสิเ <c oughs> พราะครูเรียนรู้ธรร ม, มากจากเด็กนะภาษาพูดยังไงก็่างมันก็หยาบเกินไปที่พูดปุ๊บทุกคนเข้าใจกันหมดทีนี้พอมาถามอีกเด็กคนหนึ่งอายุใกล้เคียงกันเป็นเด็กผู้หญิง เออตอนนี้อยู่กับเราเรามาอยู่ประจำนี่นะแกหมุนได้แกหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนนะพ่อครูก็ถามเออเวลาหนูหมุนอยู่หนูเฝ้ามองอะไรเขาบอกมองตัวเองเห็นไหมคนเข้าไปแล้วเขาต้องรู้ว่าเขามองอะไรคนยังไม่เข้าไปถึงยังไม่รู้เขาไปในจิตยังไงเขาก็ใช้ภาษาว่าเอ้อให้ผมหลับตาแล้วผมจะไปมองเห็นอะไรเหรอนี่พราอครูยกตัวอย่างให้ฟังพระเจ้าถึง บ, บอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อตํารา ตำรามันเนี่ยรูปของภาษาภาษามันหยากเกินไปที่พูดปุ๊บทุกคนเข้าใจเหมือนกันถ้าเข้าใจเหมือนกันเลยโอ้ไม่ต้องไปทะเลาะ ก, กันทุกวันนี้ไม่ต้องมีทนายความทุกคนก็อ่านภาษาไทยหมดแล้วทําไมตีความไม่เหมือนกันทําไมต้องมีอายการมีศาลล่ะภาษามันหยากเกินไปที่อ่านปุ๊บทุกคนจะเข้าใจเหมือนกันนะพุทธเจ้าถึงล็อกไปหมดเลยนะนี่แหละพ่อครูถึงเลิกนับถือพุทธเจ้าบูชาถวายชีวิตพระองค์ ไปเห็นสิ่งนี้ได้อย่างไรไม่ใช่เห็นหเฉยๆนะรู้วิธีแก้ด้วยแล้วก็ป้องกันด้วยบอกว่าอย่าเพึ่งเชื่อตำรานะอย่าเพึ่งเชื่อคนที่พูดเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์เราเนื่องจากศรัทธาลับหูหลับหะหลั บ, ล บ, ล บ, ล บ, ลบตาฟังบางทีท่านเปล่งออกมาร้อยเปอร์เซ็นแต่ท่านใช้ภาษาเปล่งออกมาบางทีเราเข้าใจภาษาผิดไงเราก็ทําผิดอย่าเพิ่งเชื่อองค์คูริมานก็โดนครูบาอาจารย์หลอกให้ไปฆ่าคนหนึ่งพันคน จะสอนวิชาพิเศษไงเห็นไหมก็ซื่อสัตย์มากศรัทธาผู้าอาจารย์ไม่คิดเลยคิดว่าครูบาอาจารย์ต้องมีไวยะอะไรแน่ๆตั้งมั่นซื่อสัตย์ไปฆ่าฆ่าฆ่าฆ่ากลัวจะลืมก็ตัดนิ้วมาแขวนคอไว้พอฆ่าถึงเก้าสเก้า้อ้าสบเ้าคนไปหลงผิดแล้วว่า้แสดงว่าครูบาอาจารย์ให้เราฆ่าเนี่ยให้มันหมดเวรหมดกรรมเร็วๆจะไปโปวดแม่ตัวเองนะ จะไปปวดแม่ตัวเองเดินทางไปทางการก็มีหมายจับตายองคุริมารมหาโจรองคุริมานแม่ก็เดินมาหาลูกลูกก็เดินไปหาแม่ถ้าฆ่าแม่ปุ๊บนี่หมดสิทธ์เลยบุญมากแค่ไหนก็ช่างคือจบพระพุทธองค์เห็นวาระจิตเนี่ยถึงเดินไปเดินขวางไว้องคุริมารก็วิ่งไล่ก็ไม่ทันผู้เจ้าเดินชา้าๆเองนะวิ่งไม่ทันนะ บอกหยุดหยุดหยุดพระองค์บอกเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดองคุลิมานบอกว่าท่านหยุดยังไงท่านยังเดินอยู่พระพุทธองค์บอกว่าเราหยุดทำความชั่วแล้วแต่ท่านยังทำอยู่คำนี้คำเดียวเนี่ยองคุลิมานสว่างขึ้นมาเพราะบุญเก่าก็เลยภาวนาบวชพระพุทธองค์บวชให้มหาโจรองคุลิมานแต่ทุกวันนี้คนไหนมีปร ะ, ปร ะ, ประวัติไม่ดีเนี่ยไปบวชเนี่ยไม่รับ มันเพี้ยนหมดแล้วศาสนาพุทธมีหน้าที่ทำให้คนหลงผิดนี่ให้มันกลับกลับตัวไม่ใช่เลือกแต่คนดีๆคนดีๆไม่ต้องมาบวชดีอยู่แล้วไงมหาจนองคุลิมาในชาติสุดท้ายนั่นฆ่ามาเก้า้อยเก้าสบเก้ายังบรรลุธรรมได้พวกเราเป็นไทยคงไม่เผลอไปทำชั่วขนาดนั้นใช่ไหม เราต้องมีสิทธิ์อยู่ที่ว่าเรามีทิฏฐิมานะมากหรือเปล่าไปหลงความรู้ตัวเองไหมเรารู้วิชาการเรารู้เรารู้เรื่องวิชาการเนี่ยแต่เราเราเรู้ไม่รู้ความจริงของธรรมชาติเราไม่รู้เรื่องกฎแห่งกรรมเราไม่รู้เรื่องบาปบุญคุณโทษเพราะเราไม่เชื่อเพราะเขาสอนให้เราต้องคิดแบบวิทยาศาสตร์ความคิดแบบวิทยาศาสตร์ผู้เจ้าก็สอนอย่าพึ่งเชื่ออะไรง่ายๆแต่อย่าพึ่งปฏิเสธนักวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงต้อง อย่ามักง่ายนะเห็นปุ๊บเฮ้ยอุปทานอย่าเพิ่งไปนะนักวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงอย่าเพิ่งสรุปไง่ายอะไรง่ายๆถ้าไม่เชื่อยิ่งต้องทดลองทดสอบต้องพิสูจน์ให้เขารู้ว่ามันไม่ใช่แล้วบอกทุกคนอย่าอย่าไปเสียเวลาทุกวันนี้มีแค่นักเรียนแบบวิทยาศาสตร์แต่หันหานักวิทยาศาสตร์ไม่ค่อยมี นักวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงเนี่ยต้องทําใจเป็นกลางฟังหูไว้หูอย่าพึ่งด่วนสรุปยิ่งไม่เชื่อยิ่งต้องทุ่มเทวิจัยต้องพิสูจน์ว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าให้อุปทานหรือเปล่าก็ไปเลยอย่างนี้อันนี้เป็นนักเรียนแบบวิทยาศาสตร์เฉยๆไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์พระพุทธเจ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในจั ก, กรวาลพระองค์ใช้ชีวิตของพระองค์ทั้งทั้งชีวิตเนี่ยไปทุ่มเทไปวิจัยสิ่งนี้ไปทรมานสังขารอยู่6กพันสา ลองถูกลองผิดเห็นไหมนั่นคือนักวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้มีแค่นักเรียนแบบวิทยาศาสตร์ไปอ่านหนังสือตำราของของเขานะทำวิทยานุพนธ์ก็ต้องโน่นมีที่อ้างอ้างอิงไม่มีความรู้ของตัวเองเลยแค่คำว่าค้นคว้าวิจัยคือไปค้นคว้าความรู้คนของคนอื่นมันไม่ใช่ตัวปัญญามันเป็นแค่ความจำนะยุคนี้มัน มันล่มสลายเพราะความรู้แบบตักกะแบบท่องจำแบบเรียนแบบนะเป็นยุคที่วิกฤตทางปัญญาความรู้ลนฟ้าลนโลกแต่ขาดปัญญาความรู้นั้นเ น, น่เราไปหลงมันเมื่อไหร่ปุ๊บกลายเป็นความรู้ผิดทันทีหลงติดโลภโกรธหลงเนี่ยเป็นที่มาของทุกข์ ความรู้นั้นเป็นกลางๆมันไม่ได้ผิดแต่ถ้าไปหลงมันเมื่อไหร่เป็นอวิชชาทันทีมันจะสร้างอัตตาขึ้นมาทำให้เราพลาดโอกาสในการเห็นความจริงนั่นแหละความรู้เป็นกลางๆนะอยู่ที่ว่าใครรู้เท่าทันมันก็ใช้ความรู้ทำประโยชน์สร้างบุญกุศลให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับคนอื่นแต่ถ้าเราหลงความรู้ปุ๊บมันจะมีอัตตาเอาความรู้นั้นไปเอาเปรียบคนอื่นสร้างกรรม ก็พาอครูว่าเป็นยุคที่ตกต่ำที่สุดไม่ใช่สีวิไลนะถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์โลกตั้งแต่มีโลกใบนี้ประวัติศาสตร์ที่เราพอค้นคว้าได้จับต้องได้นะยุคนี้เป็นยุคที่เสื่อมโทรมที่สุดถ้ายุคนี้เป็นยุคสี่วิไลจริงๆต้องไม่มีคนติดคุกต้องมีไม่มีคนล้มลงพักต้องไม่มีคนล้มลงโร ง, ง, งพยาบาล ยุคนี้ตกต่ำที่สุดในทางจิตวิญญาณนะไปเจริญทางด้านวัตถุทางเทคโนโลยีแต่ทางจิตวิญญาณเป็นยุคที่เสื่อมโทมที่สุดมนุษย์เราไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งนะแต่เราหลงความรู้นั้นพอหลงความรู้นั้นปุ๊บเนี่ยแทนที่จะเก่งกลายเป็นโง่ทำลายบ้านตัวเอง น้ำมันกว่ามันจะเป็นน้ำมันเนี่กี่ล้านปีสูบขึ้นมาวันนึงไม่รู้กี่ล้านบาเรวมาแลกเป็นเงินมาเผาผลาญกลายเป็นมวลภาวะเข้าล่าดมก็เป็นโพงเห็นไหมเกิดวิกฤตแล้วมันยิ่งมายิ่งนะไม่กี่ปีเนี่ยมันเล้งแรงมากนะพราอครูอยู่ที่นี่ยี่สิบกปีนะไม่เคยเจอในวันอากาศนี่ร้อนขึ้น ปีที่แล้วเรายกศาลาขึ้นไปสูงอีกคิดว่าช่วยได้แต่ถ้าไม่ยกนี่อยู่ไม่ได้เลยล่ะขนาดยกขึ้นก็ยังร้อนขนาดนี้นะอุณหภูมิมันมากขึ้นนั่นแหละคือมนุษย์เราเนี่ยรู้เรื่องวิชาการรู้เรื่องเดียวหลายปีก่อนอดีตอธิการบดีมหาเลย์วนมหาภูที่นี่เขาจบวิศวิศวสตร์มาขออนุญาตพิมพ์เกษตรเพื่อชีวิต ห้าพนะันเล่มไปแจกก็คุยกับพระครูดังนั้นพ่อครูเขียนว่ายิ่งแหลมยิ่งคับแคบยิ่งคมยิ่งเปาะบางนะมนุษย์เราเกิดมาเนี่ยเหมือนแร่เหล็กบริสุทธิ์นะถูกตั้งชื่อปุ๊บเธอเป็นเหล็กนะเธอเป็นตะกัว่วเธอเป็นอะไรตั้งชื่อมันแล้วก็เอามาหล่อล้อมเป็นมีดเป็นดาบมามาฝนมันให้มันคมให้มันแหลม ก็เรียนรู้เรื่องเดียววีสัยถัดคับแคบรู้เรื่องเดียวแล้วไปหลงว่าตัวเองรู้ชีวิตเราไม่ใช่รู้เรื่องเดียวนะชีวิตเราเนี่ยมันหลายๆเรื่องไม่ใช่เรื่องเก่งอย่างเดียววิชาการไม่ใช่เรื่องมีเศรษฐกิจอย่างเดียวนะมันต้องมีความอบอุ่นต้องมีความสุขต้องมีความปลอดภัยอะไรเนี่ยมันมีหลายอยา่างอันนี้เราเรียนเรื่องเดียวไงจาแนกแยกแยะหาเหตุเพื่อหวังผลยิ่งแยกก็ยิ่งเยอะยิ่งแยกก็ยิ่งสับสน แต่ต้องไม่ได้เลยท่านเป็นใครเป็นศาสตาจารย์เป็นประธานเป็นหมหาเศรษฐีไม่เป็นคนละแต่ต้องไม่ได้เบาะบางมากเห็นไหมหลงหลงตัวรู้ไงสร้างอัตตาขึ้นมาแต่ถ้าเป็นคําสอนผู้เจ้ามันสวนทางกันวินาทีที่ผู้เจ้ายิ่งใหญ่ที่สุดวันพรุ่งนี้วันวิสาขาบูชาเป็นวันที่พระ อ, องค์ไม่เหลืออะไรเลย ความเป็นเจ้าชายเถรถักถูกฆ่าทิ้งแล้วทำไมพระองค์ยิ่งใหญ่ในวันนั้นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในจั ก, กรวาล น, นี้เนี่ยคือความว่างลหลายๆจั ก, กรวาลลอยทุบป่องทุบ ป, ป่องอยู่บนความว่างมันใหญ่จนล้อมลัวไม่ได้เมื่อจิตเราคืนสู่สภาวะเดิมของมันแล้วสู่ความว่างนั่นแหละคือความยิ่งใหญ่นะไม่ใช่หัวโตหัวใหญ่นะ นาขวะนะแบกบอยู่ตรงนั้นแหล ะ, ะความว่างยิ่งใหญ่ที่สุดใหญ่กว่ามหาสมุทรทะเลย น, นั่นแหละคือวันที่พระองค์ยิ่งใหญ่ที่สุดเดินทางออกจากราชวังไปแสวงหาโมกรธรรม มีเสื้อผ้าชุดหนึ่งขอทานขอก็เปลี่ยงกับขอทานวันที่พระองค์ยิ่งใหญ่ที่สุดคือพระองค์เนี่ยไม่มีตัวตนแล้วลดอัตตาแต่ทีนี้ทางโลกสอนให้เพิ่มอัตรามันก็ทวนกระแสการพ้นทุกข์สิก็ทุกข์สิทุกข์ ก, ก็ต้องรักษาบางคนมาเห็นว่าทำไมต้องนั่งแล้วมันกิ้งกิ้งกิงกิงทำไมมันกิ้งทาไมถามว่ามันนั้นคือใครถ้าสมองเราคงไม่กล้ากิ้งเพราะเราอาย มันไม่สวยงามมันไม่มีมารยาทไงถามว่าแล้วใครกิ้งล่ะมันกิ้งมันนะคือใครทำไมมันถึงกิ้งมันทำลายอัตตาตัวตนเราไงทำลายรูปทำลายฟอร์มหมดท่าเลยเห็นไหมมันเวี่ยงท่าทิ้งถ้าจิตยังติดพวกงนั้นอยู่เนี่ยมันเดินทางไม่ได้มันทำให้เราอิสระจากขัวโขนทั้งปวงเห็นไหมนี่คือจิตมันใช้เทคนิค แล้วเวลาที่มันนอนกิ้งิ้งๆเนี่ยมันไม่ต้องกังวลว่ามันจะล้มไงเป็นวินาทีที่จิตอิสระมากมันเร็วมากร่างกายไม่ทันหรอกมันเวียงหัวโขนทิ้งในเวลานั้นน่ะเพราะว่าการเดินทางไปสู่นิพพานเนี่ยพอครูพูดบ่อยๆเหมือนเอากระดาษถาวมาใบหนึ่งเอาเข็มจิ้มแทงลงไปป๊อกไอ้รูเข็มมันยังใหญ่เกินไปต้องหานไม่รู้กี่ร้อยเท่านะเราต้องไปแบบตัวเบา เราจะแบกหัวโขวนแบกตำแหน่งหน้าที่อะไรไปด้วยก็ไม่ได้พระครูใช้คำว่ามันน่ากลัวมากไม่กี่สิบปีนะตั้งแต่พระครูจำความได้อะไรเนี่ยเราอยู่แบบคนไทยโบราณอะไรเนี่ยระหว่างธรรมะกับทางโลกเนี่ยเดินคู่กันไปแต่ตอนนี้มันสวนทางแบบนี้แล้วทางโลกต้องเอาเยอะๆต้องชนะต้องได้เปรียบทางธรรมบอกต้องวาง แล้วมันจะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่านี่ใช้ก็ว่าน่ากลัวถ้าคนไม่มีบุญเก่าจริงๆนี่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีทางกว่าจะเรียนมาจบกว่าจะสร้างฐานะได้ขนาดนี้ให้ฉันวางได้อย่างไรลูกก็น่ารักหลานก็น่าดูมันจะวางได้ยังไงก็นั่นเนี่ยนี่คือกรรมไงนี่คือกรรมไง กรรมที่เราไปสร้างความผูกพันแล้วเนี่ยเราก็ต้องทุกข์กับสิ่งนั้นนะบางคนบอกว่าฉันเปลี่ยนไม่ได้หรอกเอาละเราเปลี่ยนได้ไม่ได้ก็ช่างแต่สุดท้ายมันก็เปลี่ยนทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงรักกันแค่ไหนสักวันหนึ่งต้องตายจากกันไอ้ร่างกายสังขารนี่ถ้าเราไม่ทิ้งมันก่อนนะวันไหนมันทิ้งเราแน่ๆเพราะมันมีอายุขยของมันมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา คำว่าเวียงทิ้งไม่ใช่เอาไปเผาทิ้งไปโดดเหวนะคือเวียงความยึดมั่นถือมั่นที่จิตเราไปหลงกับมันหลงติดมันทิ้งแล้วเราก็ใช้ร่างกายนี้ทำหน้าที่เราสร้างอริยทรัพย์ทำแต่สิ่งดีๆแต่ตอนนี้เราไม่เคยเรียนวิชาชีวิตนี้เลยเราไม่เคยเกิดมาเขาก็ส่งเสริมให้เราไปเรียนวิชาสร้างอนาคตทั้งนั้นแหละเพราะเราเชื่อว่าต้องมีอนาคต ที่มั่งคั่งล่ํารวยแล้วถึงจะมั่นคงนะพ่อครูเดินทางนี้ไปแล้วพว่อครูไม่เจอความมั่นคงเลยจเจริญไปว่ามีมากขึ้นเติบโตไปว่ายิ่งใหญ่ขึ้นไม่ได้ไปว่ามั่นคงอเมริกาเศรษฐกิจสังคมการเมืองอันดับหนึ่งของโลกแต่ตอนนี้หนี้สินมากที่สุดในโลกไม่มั่นคง เราถูกตั้งโจทย์ให้ชีวิตผิดเมื่อจุดเริ่มต้นเราตั้งโจทย์ผิดนี่เราจะทำถูกแค่ไหนมันก็ผิดเดี๋ยวพรุ่งนี้หลายท่านก็กลับบ้า น, นเรานั่งรถไปถึงส่วนมากเราเป็นคนไทยตรงนี้ชายแดนนะตอนนี้สุดเขตแดนสยามพอเราไปถึงสามแยกเรล่าอินแปลงเราต้องเดียวทรายเข้าไปแผ่นดินไทย ไปอำเภอศกินทรไปอำเภอพิบูรณ์ไปวารินออกศรีสะเกตไปกรุงเทพแต่ถ้าเราเลี้ยวขวาเราจะเข้าไปประเทศลาวแล้วนักวิชาการก็ไปนั่งถกกันว่าเธอว่าชิดขวาดีเธอว่าชิดซ้ายดีไปดั่งวิจัยวิศวกรก็บอกว่ารถยี่ห้อนี้ดีกว่ายี่ห้อนั้นนักปฏิบัติธรรมขอแจมด้วย เธอต้องขับมีสมาธิมีสตินะถ้าขับมีสมาธิมีสติเนี่ยโอกาสเกิดอุบัติเหตุมีน้อยไม่ใช่ไม่มีนะขี่เล่าเมามาก็ชนเราได้แต่ถามว่าชีวิตนี้เนี่ยถึงกรุงเทพไหมไม่ถึงครับเพราะจุดเริ่มต้นเราก็เลี้ยวผิดแล้วเราตั้งโจทย์ให้ชีวิตผิดแล้วมันจะถูกได้ยังไงยิ่งเทคโนโลยีเก่งแค่ไหนก็ช่างยิ่งขับรถเก่งยี่ห้อเก่งมันก็ยิ่งหลงหลงไกลขวาก่า แม้กระทั่งมีสมาธิมีสตินะที่พระครูพูดเรื่องนี้ให้รู้นะ่ะสติไม่ใช่พระเอกสติไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดตอนนี้เราชล่าใจฝึกสติสติสติฝึกสามสิบแปดปีสี่สิบปีงไงแล้วก็ออกไปไหนละ่ะก็ออกไปสร้างเรือนใหม่ไงนั่นสติงไงโจรก็มีสตินะโจรก็มีสมาธินะแม้กะทั่งมันป้นไม่สำเร็จนะ โจรเขาต้องใช้สติสมาธิมากกว่าพวกเราอีกเพราะมันต้องระวังตัวมากกว่าแต่มันไม่มีศีลมันไม่มีปัญญาเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาเพื่อทำให้มนุษย์เราในเกิดปัญญาผลสูงสุดคือ น, นิพพานไม่ใช่สติแต่สติแลสมาธิเป็นเครื่องมือเดินทางหนึ่งในมรรคมีองค์แปดที่สําคัญต้องใช้มันไม่ใช่ไปฝึกมัน นี่เราถูกสอนกันอย่างไงสอนแบบแยกส่วนไงการปฏิบัติธรรมคือการเจริญมรรคผลนผลิพานไม่ใช่เจริญสติไม่ใช่เจริญสมาธิถ้าไม่พูดความจริงเราก็แปะเหมือนะอาจารย์มาจากไต้หวันนั่นแหละมันก็มีกําลังสมาธิกําลังสติระดับหนึ่งแต่มันเข้าไปถึงกล่องปัญญาไม่ได้ไง<ม>พราะท่านสะสมมานาน่ะ ท่านมีบุญแน่นอนท่านได้เกิดมาได้บวช ด, ด้วยนะแต่กรรมท่านก็มีกรรมที่การกระทำที่เราไปหลงเข้าใจภาษาผิดแล้วก็ไปปฏิบัติผิดมันก็อยู่ตรงนั้นแหละน ะ, นะจะเจริญมรรคมรรคผลนิพพานแต่การจเจริญมรรคต้องใช้สติใช้สมาธิไม่ใช่เป้าหมายเพื่อไปฝึกสติ ต้องเข้าใจก่อนแล้วก็รู้ว่าพวกเรากำลังทำอะไรอยู่นะแล้วก็ไม่ใช่ฝึกให้เราเป็นคนเรียบร้อยหรือมีมารยาทนะเรียบร้อยมีมารยาทเป็นเรื่องของโลกียธรรมเป็นเรื่องของทางโลกเป็นเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยมันไม่ได้เสียหายอะไรแต่เป้าหมายไม่ได้เกิดมาเป็นคนเรียบร้อยนะเราเกิดมาเพื่อเดินทางต่อเป้าหมายคือพ้นทุกสถานเดียวแต่ก่อนจะพ้นทุกจิตต้องมีปัญญาก่อน ให้มันชัดเจนนะแล้วเราจะรู้ว่าเพราะว่าตอนนี้สังคมส่วนใหญ่เก้าสบกว่าเปอร์เซ็นต์เขาเป็นอย่างนั้นแล้วไงแต่ถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวผู้หวังดีเขาก็แนะนำเราแล้วก็งงเขาก็เอาความคุ้นเคยของเขาเนี่ยที่เขาฝึกเขาก็บอกว่าต้องทำแบบนี้ต้องทำแบบนี้แบบนั้นไม่ใช่หลายคนก็หลุดออกจากมักจากทางก็ไปหลงติดที่วิชาฝึกสติฝึกสมาธิ เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเรียนวิชาใดๆทั้งนั้นนะเราเกิดมาเพื่อเดินทางต่อแต่ทุกคนต้องมีอาชีพต้องมีสัมมาอาชีพเรียนวิชาชีพแต่วิชาชีพไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดอาชีพอาไสายยังชีพคืออยู่ได้ไม่ตายไม่ใช่ไปเล่นเกมรวยกันไม่ใช่เล่นเพื่อลาบยศสนละเสริญอันนั้นกิเลสทั้งนั้นมันไม่พ้นทุกข์มันเพิ่มทุกข์ต่างหากแต่เราต้องมีอาชีพ ต้องเป็นสัมมาอาชีวะอาชีพนั้นต้อง ม, ไ ม, มีไม่มีผู้ใดเดือดร้อนเราเองต้องไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ต้องทําให้คนอื่นเดือดร้อนนั่นคือสัมมาอาชีวะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่อาชีพมันเป็นเกมได้เสียนะเกมสนองกิเลสมันก็ทุกสินะพ่อครูต้องพูดตรงๆนะเอาประสบการณ์ที่ตัวเองผ่านมานะเอาชีวิตตัวเองนะ่ยไปลองถูกลองผิดอยู่สี่สิปี ไปสู้กับกระแสโลกแบบแรงๆเลยล่ะและยี่สบกปีก็อยู่ที่นี่สิบเอ็ดปีไม่มีไฟฟ้าอันนั้นสงบเย็นจริงๆทั้งนอกจิตพวกคุมันเย็นตลอดนั่นแหละส่วนสิ่งแวดล้อมข้างนอกเนี่ยอากาศมันร้อนขึ้นก็ร้อนแต่จิตเราไม่ร้อนกับมันแต่เราสัมผัสมันร้อนร่างกายสัมผัสแต่ว่าจิตใจมันไม่ร้อนแต่มันรู้ว่าความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นนะจบอยู่ที่จิตเราอัตติหีหอัตโนนาโถ ตนแลย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตนนะก็เกิ น, น, นเกินนีดนเกินเกินนะชั่วโมงหนึ่งเนาะก็มีคำถามอีกสองสามคำถามนะก็ไปเร็วๆนะถ้านั่งแล้วมีคนหรือไม่ใช่คนมาชวนไปด้วยเป็นอุปทานหรือเปล่าเป็น บางทีเรานั่งเราเห็นนิมิตนู่นเห็นนิมิตนี่เราเห็นจริงแต่สิ่งที่เราเห็นมันไม่จริงไม่มีจริงสียอย่างหนึง่งในอดีตเราเคยเป็นเจ้าพ่อชื่อในก่อยิ่งใหญ่มากจิตก็ไปติดหลงประทานว่าเราเป็นเจ้าพ่อมันก็บันทึกสัญญาอยู่ในนั้นพอนั่งปุ๊บรีไว้ปุ๊บมันก็เป็นกรรมอย่างหนึง่งนะความรู้สึกเป็นเจ้าพ่อเกิดขึ้นถ้าจิตมันจะ ไ, ไม่ระวังเนี่ยมันก็อยากจะเป็นเจ้าพ่อมันก็ไปหลงมันก็ไปเป็นมัน อารมณ์อะไรเกิดขึ้นนี่มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเหมือนคำว่าผีหลอกนั่นแหละบางคนถามว่าพรอครูผีมีจริงไหมเราตอบปยังไงเราตอบว่ามีจริงก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเราตอบว่าไม่มีก็เป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ส่วนมากที่เราเห็นเน่ยมันผีหลอกมันหลอกอุปทานเราหลอกมันไม่ใช่ผีจริงไปเจอผีเนี่ย หลอกจนวิ่งไม่ออกชักเลยกลายเป็นโรคผีหัวโขนผมร่วงหมดเลยเห็นไมไม่ใช่ผีมันทำนะผีในใจเรามันหลอกเองเนี่ยมันกลัวจนระบบภูมิคุ้มกันมันมันแปรเปลี่ยนเห็นไมความรู้สึกของจิตอารมณ์ของจิตเรามันส่งผลต่อกายภาพอันนี้ว่าโรคอุปท า, าน ถ้าเราฝึกบ่อยๆแล้วเนี่ยอุปท า, านเหล่านี้เนี่ยสมัยก่อนพ่อครูเคยเป็นอดีตนักการเมืองนะนักเลงเรียกพี่จริงๆแล้วข้างนอกนี่เหมือนยิ่งใหญ่มากแต่ข้างในอ่อนแอมันก็กลัวตายเหมือนกันนั่นแหละยิ่งเล่นการเมืองยิ่งกลัวเขาจะฆ่าพร ะ, พะองค์ไหนเช่าแค่ไห น, นแพงก็ไปเช่านำมาแขวนคอไว้ไม่เคยเชื่อมั่นในตัวเองเลย เห็นไหมแต่พอวันเราเบิดปุ๊บอันเชิญพระอยู่ในคอเนี่ยไปบนหิ้งพระอยู่ในภูเขาจิตตอนนี้ไปนอนป่าชา้าไปที่ไหนคนเดียวก็ไม่เป็นไรเพราะตัวเราไม่มีใครจะเป็นคนกลัวละ่ะใครจะเป็นคนถูกฆ่าละ่ะพระอยู่ในภูเขาจิตพระแท้ๆทุกคนมีอยู่แล้วมีไม่ใช่พระธรรมดานะมีพุทธจิตอยู่แล้ว พระพุธอยู่ในจิตเรานั่นแหละเข้าไปหาเขาเถอแล้วผีมันก็จะหลอกเราไม่ได้ผีหลอกนะไม่ใช่ผีจริงอันนี้ก็คำถามต่อไปที่พ่อครูบอกว่าการเจริญมรรคจิตเป็นการไปดึงเอาบรารมีหรือวิชาเก่าที่เรามีแล้วมาต่อยอด นั่นคืออย่างไรถ้าคนที่เข้าไปในจิตได้แล้ววันนี้พ่อ ก, กูก็นั่งดูนะหลายท่านมาจากกรุงเทพนี่ก็ไ ล, ล่ลําบางคนก็ลำมาแบบวัดเส้าหลินบางคนก็วันมามาลำแบบวิชาพระโพธิสัตว์กวนอิมนะจิตเรามันผ่านมาหมดแล้วทั้งเทระวาสทั้งมหายานทั้งอะไรอะไรทั้งนอกศาสนา นะถามว่าใครลำชาตินี้เราเคยฝึกลำแบบนี้ไหมไม่แล้วใข่ล้ำนะป้าแขหลายปีก่อนไม่สบายกินไม่ได้นอนไม่หลับหลายเดือนถ้าไม่มีกำลังกรรมาฐานตอนนี้จากเราไปนานแล้วหลังจากเราเข้าไปในจิตในจิตเนี่ยจิตเดิมมันก็เข้าไปในเว็บไซต์ตอนที่แกเป็นโยคีฝึกโยคะมา ก็เอามาสอนจิตปัจจุบันทำร่างกายปัจจุบันก็ทำในสองสามวันแรกแกเด้งหมดเลยเพราะมันไม่เคยทําปัจจุบันนี้แกเล่นโยคะโดยไม่ต้องไปเรียนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเพราะชีวิตนี้เราไม่เคยไปฝึกโยคะเลยแล้วใครทํานี่คือคําตอบว่ามันมาต่อยอดได้อย่างไรเราฝึกมาหลายชาติมันไม่ได้ศูญเปล่านี่เดี๋ยวพรเจ้าทุกบ่ต้องเข้าไปในจิตในจิตไม่ใช่ไปฝึกสติอยู่ที่อยู่ที่ร่างกาย อธิยาบทของกายขวาซ้ายหรือลมหายใจเข้าออกเฉยๆนะอันนี้มันฐานกายเท่านั้นเองนะกายข้างนอกคืออธิยบทเนี่ยคือขวาซ้ายหรือว่าลมหายใจไม่ใช่กายด้วยนะลมหายใจเนี่เป็นสิ่งนอกกายซึ่งใกล้ชิดกายเรามากที่สุดเนี่ยเือมันมีอยู่แล้วไม่ต้องไปหาเนี่ยเขาก็เลยเอามาเจริญอานาปนสติแต่ต้องอาศัยลมหายใจคือเข้าไปในกายเห็นไหมเป็นอุบายเนี่ยมันเป็นของนอกกายนะ กายในกายทีนี้เข้าไปเข้าไปอันนี้อันนี้เริ่มต้นพอทำไปทำมาแล้วเนี่ยจิตมันก็จินตนาการเรื่องกายในกายไปดูอสุภะเนี่ยเริ่มมาจากลมหายใจอนามัยจิตแล้วก็เข้าไปอสุภะไปเห็นเรื่องโอ้ยมีน้ำเหลืองมีเลือดมีกระดูกอะไรสังเวช ท, ทำให้จิตมันจางคายอันนี้คือเวทนาในเวทนามันก็สังเวชมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นกับกายภาพเนี่ยลองเอาหนังเราออกดูสิน่าดูไหม สวยไหมเมื่อจิตมันไปสัมผัสตัว น, นั้นแล้วนี่นี่คือเวทนาในเวทนาบางคนอาเจียนอ้วกแตกอ้วกแตนเลยนะไปเห็นตรง น, นั้นนะที่เขาฝึกกายะกายคตาสติหรือว่าอสุภกรรมฐานนั่นแหละแต่มันเป็นแค่อนุสติเป็นการจินตนาการพ่อครูเคยไปสอนอยู่เชียงใหม่นะก็ไปเห็นเขาสอนเรื่องกายคตสี่โอ้ดูกระดูกดูอะไรอ้วกแตกอ้วกแตน ผู้หญิงสวยๆไม่แต่งหน้าสัก4ี่ห้าวันเพราะเบื่อความสวยพอผ่านไปสองอาทิตย์สวยเหมือนเก่ามันไม่ใช่ของจริงมันเป็นการสร้างอุปทานขึ้นมาแต่มันมีประโยชน์นะเราใช้เวทนานั้นเป็นฐานที่ตั้งแห่งการเจริญสติเป็นแค่เจริญสติมันไม่ใช่ตัวปัญญามีคุณหมอท่านหนึ่งท่านก็บวชเป็นหลวงพี่มาเยี่ยมพ่อกรูท่านก็คุยว่าที่การไปดูเรื่องกระดูก เห็นกระดูกเห็นตับไตไส้พุงเห็นหัวใจถ้ามันรู้ธรรมเนี่ยท่านบอกว่าอาตมาบรรลุปไปท้งนานแล้วเป็นเป็นหมอผ่าตัดเห็นของจริงเลยอันนั้นเป็นแค่อุบายวิธีเนี่ยทำให้จิตจางคลายความยึดมั่นถือมั่นกับกายภาพนั้นแต่มันเป็นของชั่วคราวทีนี้เอาแค่กายเวทนาเนี่ยมันยังเข้าไปในจิตไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่ได้ขัดเกล่จิตให้ผ่องใสกองปัญญามันต้องอยู่ข้างในจิตในจิต เราต้องเข้าไปในจิตใต้สำนึกเราเข้าไปในเว็บไซต์เราประสบการณ์จริงๆเราหลายพบหลายชาติที่เราสะสมมาเนี่ยอันนั้นแหละเขาจะถ่ายทอดอารมณ์นั้นให้จิตปัจจุบันเห็นเราจะอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋อแล้วพูดไม่ได้นะพอพูดปุ๊บมันหยาบเกินไปมันเป็นปัจจับตังเวทิตโพวินยูหีเป็นสิ่งที่รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างไม่ใช่คาสอนพระพุทธเจ้า เนื่องจากไม่เคยไปสัมผัสมันก็เอาความเคยชินตัวเองปฏิบัติทาต้องเป็นแบบนี้ต้องเรียบร้อยต้องผ้าพับไว้ถ้าเป็นแบบนี้คือไม่ใช่เนี่ยเราไปติดแบบนั้นไงนะเขาเป็นว่าเราเข้าไปแล้วนี่คือคำตอบนะมาต่อยอดได้อย่างไรเห็นไหมปัญญาในอดีตที่เราเคยฝึกโยคะมามันไม่หายไปไหนเราก็ใช้มันมารักษาร่างกายปัจจุบันนี้ แล้วก็มาเจริญมรรคจิตคือจิตมันก็มีโอกาสมาเดินทางต่อไม่ใช่มาฝึกสมาธิเจริญสติฝึกบา ร, รมีชาตินี้ตายก่อนกระแสกรรมลหลายชาติก็ไล่บี้เราอยู่ถ้าองคุริมาเน่ไม่รีบเพ่นหนีนะไอ้ฆ่าฆ่าอีก 9, 9้า้อก้าส้าในชาตินี้เนี่ยหนึ่งชีวิตต่อหนึ่งชาตินะไปบวกกับของเก่าไม่รู้อีกอ ก, กี่กี่ล้านชาติเราต้องเพ่นหนีออกจากวัตฏะสงสาร นะถ้าเรารับรู้ว่าเคยบวชเป็นพระมีอาจารย์เป็นพระรูปนั้นรูปนี้ได้ไปวัดที่เกี่ยวข้องและรู้จักวิชาต่างๆคุ้นๆกับบทสวดหรือคาถาบางบทเราจําเป็นต้องสวดหรือท่องจําไหมคะเช่นบทสวดพระปริตจําเป็นต้องสวดไหมคะ ถ้าตอบว่าจำเป็นไหมตอบว่าไม่จำเป็นแต่ถ้าสวดได้ไหมได้ตำรวจไม่จับมันก็เป็นอุบายวิธีอย่างหนึ่งการสวดมนต์เป็นอุบายวิธีในการเจริญสัมมากรรมฐานให้เราจิตจดจ่ออยู่กับมันเนี่ยมันก็ดีกว่าที่เราเอาเวลานี้ไปคิดแต่ถ้าจิตมันเลยตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราเคยเป็นพระมาแล้วเราเคยเรียนมาแล้วเคยสวดมาแล้วเหมือนเราเรียนอนุบาลมาแล้วเราจะกลับไปเรียนไหม จิตมันเรียนปริญญาเอกแล้วมันต้องไปเรียนอนุบาลหรือเปล่าเดี๋ยวจิตมันจะรู้เองนะขอให้ปลดปล่อยจิตเราจิตเดิมเขาจะรู้เองว่าสัาเขาจบปริญญาโทเนี่ยเขาจะมาต่อเอกเขาจบตีเขาจะมาต่อโทไม่ใช่จับให้เขามาเรียนอนุบาลใหม่แบบทุกวันนี้มาใหม่ใช่ไหมมาเรียนกอไก่ขอไข่มาฝึกชานหนึ่งชานสองชานสามพวกครูใช้คำว่าตายก่อนลองมีหน้าที่ปลดปล่อยจิตเราให้มันอิสระ แล้วจิตเดิมเราเนี่ยคืออาจารย์เราเนี่ยอาจารย์ของแต่ละท่านต้องไม่เหมือนกันอย่าเรียนแบบกันมันไม่ใช่วิชาไปท่องจํา ม, มานะอาจารย์ของแต่ละคนต้องไม่เหมือนกันแต่เรามีหน้าที่ปลดปล่อยจิตเราให้มันเข้าไปสู่จิตในจิตไปหาอาจารย์เราแล้วตอนนั้นอาจารย์เราเนี่ยจะสอนเราเองเขาเรียนวิชาของเขาทุกคนเรียนวิชามัไม่เหมือนกันฝึกมาไม่เหมือนกันเขาจะเอามาต่อยอดไม่ใช่ขเขาจบ <oui S 1> วิศวะป ร, ะ ร, ร, ะริญญาโทแล้วเนี่ยเราจับเขาไปเรียน อนุบาลใหม่อย่างนี้นะไม่ใช่เขาต้องมาต่อเอกวิศวะของเขานี่แหละคาว่านานาจิตตังอนุสัยจิตไม่เหมือนกันเพราะว่ามันสะสมมาหลายชาติไม่เหมือนกันแต่ตอนนี้เราไปปฏิบัติธรรมทุกคนเป็นหุ่นยนต์เหมือนกันหมดเลยเห็นไหมเอาไปขึ้นสายพานเป็นอุตสาหกรรมธรรมะธรรมะไม่มีธรรมะไอ้ที่ไม่มีธรรมะนั่นแหละคือตัวธรรมะ ธรรมะที่แท้จริงไม่มีธรรมะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่ใช่อะไรไม่ใช่สักอย่างหนึ่งมันเป็นของชั่วคราวแต่ปัจจุบันถ่ายทอดไม่มีธรรมะแล้วจะมีธรรมะได้อย่างไรปัจจุบันถ่ายทอดไม่มีธรรมะเพราะมันมีโน่นมีนี่มีถูกมีผิดมีของแท้ของเทียมมีตัวหนังสือธรรมะที่แท้จริงไม่มีตัวหนังสือมันจึงไม่ใช่ธรรมะมันจึงมานั่งทะเลาะกันทุกวันนี้มาแปลนิพพานว่าอัตตาแปลว่าอนัตตาทะเลาะกันอยู่อย่างนี้ ธรรมะที่แท้จริงไม่มีธรรมะไอ้ต้นไม้เขียวเขียวเนี่ยเรียกว่าต้นไม้ฝรั่งเรียกว่าทรีคนจีนเรียกว่าซู่เรียกก็ไม่เหมือนกันก็ชื่อชื่อสมมติเอาไอ้ต้นไม้ต้นนี้มันอยู่ได้ล้านปีไหมไม่เพราะอะไรเพราะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไงมันเป็นของชั่วคราวนะ ตอนนี้ธรรมะกลายเป็นตัวหนังสือเป็นวิชาการเป็นวิชาพุทธศาสนาวิชาพุทธศาสนากับธรรมะคนละเรื่องนะแต่วิชาพุทธศาสนาพูดถึงเรื่องธรรมะเท่านั้นเองพระไตรปิฎกชุดนี้ชุดเก่าร้อยเล่มเป็นหนังสือชุดหนึ่งที่เขาบันทึกพุทธประวัติเขาพูดถึงเรื่องธรรมะแต่หนังสือชุดนี้ไม่ใช่ธรรมะ มันเป็นวิชาพุทธศาสนาเราไม่ได้เกิดมาเรียนอะไรนะถ้าเราเราเลือกชาติได้เราเป็นป ร, ริญญาเก้าไม่รู้กี่รอบแล้วเกิดมาปุ๊บก็ลืมก็เป็นเรียนในของเก่าแนละ้วมันเป็นแค่วิชาการไม่ใช่ธรรมะหนังสือธรรมะหนังสือธรรมะหนังสือนั้นไม่ใช่ธรรมะแต่หนังสือนั้นพูดถึงเรื่องธรรมะเท่านั้นเองก็คําถามต่อไปนะ มีบางคนบอกว่าถ้าในอดีตรเราเคยอธิษฐานปราถนาที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์ให้พ้นทุกข์หรือเป็นพระโพธิสัตว์ทำให้ต้องสะสมบารมีและเกิดอีกหลายกันหลายกับเลยและยังมีโอกาสตกไปสู่อบายภูมิได้ด้วยแต่ถ้าไม่อยากเกิดอีกต้องไปขอลาพุทธภูมิซึ่งบางคนก็ไปที่อินเดีย และบางคนก็ใช้การกาหนดจิตขึ้นไปลาขอความอนุเคราะห์พ่อครูช่วยชี้แจงว่ามันจริงไหมคะและควรทำอย่างไรเบี่ยงทิง้งคำว่าอธิษฐานนี่อธิษฐานบา ร, รมีเหมือนข้อสัญญานะมันมีผลถ้าไปสาบานว่าถ้าไม่จริงให้ฟ้าผ่า ถ้าเป็นคําโกหกนะอย่าไปพูดนะมันบันทึกจริงๆสัญญานะแล้วสักวันหนึ่งมันจะเกิดจริงๆอธิษฐานบารมีไอ้ตัวนี้เป็นตัวตอกย้ำเตือนสติถ้าอธิษฐานผิดมันก็ผิดทีนี้อธิษฐานนี่มันเป็นตัวสัญญากับตัวเองนะมันไม่ใช่สัจจะตอนนั้นเราอธิษฐานเราตั้งสัญญากับตัวเองเพราะเราโง่อยู่เมื่อเราตกลงกับเพื่อนว่าพรุ่งนี้เช้ามีสัจจานะไปเจอกันตีห้า ต้องมีศัจจานะจับมือกันบังเอิญคืนนี้แผ่นดินไหวฉันต้องตั้งสัจจนต้องทำใจศัจจ์ก็เดินทางไปตกเขวตายเนี่ยอันนี้คนโง่สัญญาสัญญานี่เปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุและปัจจัยแต่ในขณะที่เราตกลงกับเขาเราต้องไม่มีเจตนาที่จะโกหกเขาสัญญาไม่ใช่สัจจ์ สัจธรรมคือความจริงใครก็เปลี่ยนไม่ได้ทำดีดีทำชั่วชั่วเกิดแก่เจ็บตายอีกกี่ล้านปีใครก็เปลี่ยนไม่ได้นั่นคือสัจธรรมเมื่อเราอธิฐานผิดเมื่อเราเกิดปัญญาแล้วเนี่ยเราก็วิธีล้างอาธิษฐานก็คือเหวี่ยงทิ้งชำระจิตให้ผ่องใสนี่คือขัดเกลาจิตให้ผ่องใสวิธีทำก็คือทานสิลภาวนา ส่วนนักอุบายวิธีไปพุทธภูมิอะไรยพุทธุภูมิคิดว่าอินเดียเพราะครูบอกแล้วว่าธรรมะคือสัจธรรมสัจธรรมคือความจริงการที่เอาความจริงมาสนทนากันคือการแสดงธรรมอย่างหนึ่งธรรมะไม่ได้อยู่ที่อินเดียหรือภูเขาหิมาลัยธรรมะมันคือธรรมชาติมันคือธรรมดาธรรมดาเราไปเข้าใจว่าพุทธภูมินะจริง ประเทศอินเดียเนี่ยเป็นบ้านเกิดของเจ้าชายสิทธาบางคนก็อ้างอยู่นั้นแหละอ้างคําสอนพุทธเจ้าต้องทำตามพระองค์พุทกคบว่ถ้าอย่างนี้พวกเรานอลงนิบตายไวๆนะผู้รู้ก็ถามว่าทําไมล่ะก็เจ้าชายสิทธาเป็นคนอินเดียไงเราเป็นคนไทยเราไม่มีทางมบรรลุล่ะต้อตายแล้วไปเกิดเป็นคนอินเดียศึกษาธรรมะแบบซื่อบือ้อธรรมะที่แท้จริงไม่มีธรรมะ นะคำว่าพุทธภูมิไม่ได้อยู่ที่ประเทศอินเดียมันอยู่ในจิตเรานั่นแหละเ็าบอกแล้วมันอยู่ข้างในคนจีนเขาบอกฝ่อใจหลิงซันพระอยู่ในภูเขาจิตมันอยู่ข้างในอย่า ก, ก้าวหน้าต้องถอยหลังพอพูดถึงเรื่องอินเดียนะโอเคเล่าเรื่องไม่ใช่นิทานเรื่องจริงหลายปีก่อนพ่อคูเคยเดินทางไปอินเดีย 20ปีเป็นทาสานที่นี่ไม่ไปไหนพอถึงเวลาจิตบอกออกไปข้างนอกถึงเวลาแล้วเลือกประเทศอินเดียไปดูว่าเขาไปอินเดียทำไมนะไปตามรอยพระพุทธเจ้าบังเอิญก็ไปกับกวนหนึ่งมีคุณลุงท่านหนึ่งเป็นข้าราชการเกษยียณอายุคุณลุงก็บอกว่าสวดมนต์มายี่บกว่าปีแล้วสวดเช้าเย็น ไม่มีวันหยุดเขาจริงๆพอไปอินเดียเนี่ยเราไปพักวัดพ่อครูก็ไปกลางกฎนอนคนเดียวเพราะว่าตอนนั้นไอ้ด้วยไไม่อยากไปรบ ก, กวนเขาบังเอิญวันนั้นไปเมืองไหนไม่รู้เนี่ยเขาจับไปพักโรงแรมไปอัดกันเจ็ดแปดคนอยู่ห้องเดียวกันคุณลุงก็สวดมนต์สวดเขาหลับแกก็สวดตีสามกว่าว่าเขายังไม่ตื่นแกก็สวดปุกเขาตื่น พอออกมานอกห้องเจอลูกสาวก็สวดลูกสาวต่อลูกสาวบอกอย่ามายุ่งกับชีวิตฉันได้ไหมเนี่ยคนสวดมนต์มายี่สิบกว่าปีางไงไม่รู้จะไปสวดทาไมถ้แบบนี้เป็ติดแค่รูปแบบแล้วเขาคุยว่าเขาไปอินเดียเจ็ดครั้งแล้วเพราะมีคนบอกเขาว่าไปกี่ครั้งจะขึ้นสวรรค์ชั้นไหนไปกี่ครั้งจะได้ไปอยู่กับพุทธเจ้า ถ้าพระพุทธองค์เนี่ยกลับชาติมาเกิดนะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะพระองค์จะจำศาสนาพระองค์ไม่ได้ยังเรากราบไหว้พระพุทธรูปเนี่ยหลายคนถามตัวเองนะบางทีกราบกราบขอนอนขอนี่กราบในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอขอขอขอนะขอให้ลูกเดยนเก่งขอให้ร่ำรวยมั่งคัง่ง ตอนนี้พระพุทธรูปนี่คือสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเรากราบเพื่อระลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพื่อเตือนสติเราเนี่ยยึดพระองค์เป็นสาระนะเราเชื่อว่าพระองค์บรรลุธรรมได้จริงเนี่ยเราต้องทําให้ตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนพระองค์เขาบอกพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ใช่กราบในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าใครกาบพระเจ้าในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อครูถือว่าไม่เข้าใจพระพุทธองค์ดูถูกพระพุทธองค์ด้วย เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้เราพ้นทุกข์ไม่ได้ตอนนี้เรามาจากกรุงเทพนี่บางทีเรานั่งเครื่องบินมาชั่วโมงนึงก็ถึงล้เราห่อได้เราหูทิพนะคุยโทรศัพท์กับเพื่อนที่ปารีสก็ได้หูทิพแล้วตาทิพเขาแสดงละครนินวยอร์กเราเห็นเลยไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้นี่มันทําให้เราพ้นทุกข์ไม่ได้แต่พระพุทธองค์นี่ยยิ่งกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คำสอนพระ อ, องค์เนี่ยทำให้เราพ้นทุกได้ถ้าเราทำจริงตอนนี้มันเพี้ยนไปหมดลวเป็นอุบายวิธีไงนะมีประโยชน์ระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเราหลงมันเมื่อไหร่เนี่ยกลายเป็นโทษมหาศาเลยเราไม่พึ่งตนเองเรามีแต่ขอให้คนอื่นช่วยเราจิตเราจะไม่มีวันเข้มแข็งแต่เมื่อจิตยังเข้าไม่ถึงตรงนั้นแล้วพึ่งตนเองไม่ได้อย่างเด็กๆต้องพึ่งพ่อแม่ก่อนเป็นเรื่องธรรมดา แต่ถ้าเราพึ่งอยู่เรื่อยแล้วเมื่ อ, อไหร่เราจะแข็งแรงผู้เจ้าบอกต้องพึ่งตนเองการที่เรามีสั ญ, ญลักษณ์มีพระุทธรูปเนี่ยนะเพื่อเป็นอุทาหรณ์เป็นสารณะเตือนสติเราเนี่ยอย่าหลุดจากมักจากทางทําให้ตัวเองเหมือนเราไหว้พบบระบรมสาลีกาธาตุเห็นไหมสิ่งที่พระองค์เหลือไว้ให้เราเนี่ยคือพบบระบรมสาลีกาธาตุแล้วก็ศาสนาเรากล่าวไหว้ ในฐานะที่เราเลือกรลกถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้วเราจะมุ่งมั่นทำตามพระองค์ไม่ใช่กราบไหว้ในฐานะสิ่งศักษษษดิ์สิทธิ์ผู้เจ้าบอกต้องพึ่งตนเองพระองค์ก็ฝืนกฎแห่งกรรมไม่ได้นะตอนนี้เราเข้าใจคำสอนผู้เจ้าข้าเกินใช้อุบายใช้อุบายก็ไปหลงอุบายก็โดยเฉพาะว่าอาธิษฐานปาธนาจะช่วยมนุษย์ ให้ผลทุกข์หรือจะเป็นพระโพธิสัตว์อันนี้ดีมากตอนที่พระคุณเจ้ามาจากไต้หวันท่านเป็นมหายานพระครูก็แลกเปลี่ยนท่านว่าพระอาจารย์อริยสัตว์สี่ในมหายาณเนี่ยเหมือนเทรวาสไหมท่านบอกทุกสมุทัยนี้รอดมากเหมือนกันพระครูก็เรียนถามท่านว่ามีข้อไหนบ้างที่ทำให้เราเป็นพระโพธิสัตว์ พระเจ้าพูดแต่ว่าอะไรคือตัวทุกข์อะไรคือเหตุแห่งทุกข์อะไรคือความดับทุกข์อะไรคือหนทางไปสู่การพ้นทุกข์ไม่ได้บอกให้เราเป็นอะไรนะแต่การว่าเราภาวณาตัวเป็นโพธิสัตว์เป็นอุบายวิธีทําให้เราทําดีเพราะนิสัยโพธิสัตว์เนี่ยชอบไปยุ่งคนอื่นชอบเนี่ยพระอวะโลกิเตศวรเนี่ยเป็นชื่อเรียกของพระโพธิสัตว์กวนอิม ถาอวโลกิเตศวรสมัยพุทธกาลเกิดอยในร่างมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ชายแต่พอหลังพุทธกาลพันกว่าปีเกิดมาอยู่ในร่างผู้หญิงอยู่ในร่างองค์หญิงเมี้ยวสั้นเรียกว่าอาวะโลกิเตศวนอวะคือเพ่งมองโลกียะคือมองโลกเตศวรคือความทุกข์ยากร้องให้ลาควานของสัตว์โลกนี่คือนิสัยของโพธิสัตว์ชอบเมตตาเขา ก็เป็นอุบายให้เราทำความดีแต่ไม่ใช่ว่าปฏิบัติเพื่อจะเป็นโพธิสัตว์เป็นก็คืออัตตาไม่ได้เป็นอะไรปฏิบัติเพื่อจะไม่เป็นอะไรอย่างเจ้าชายยุทธะตัสดูรมเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระองค์บรรลุธรรมแล้วไงไม่ต้องสร้างบา ร, รมีอีกแล้วพระองค์ยังสร้างศาสนาขึ้นมาเผยแผ่ อ, อีก45พรรษานั่นคือสภาวะของโพธิสัตว์ จิตซึ่งต้องทำหน้าที่ที่เป็นผู้ให้เนี่ยเรียกว่าเป็นสภาวะของโพธิสัตว์แต่เราไม่มีเป้าหมายปฏิบัติเพื่อเป็นโพธิีสัตว์เป็นคืออัตตามันไม่ใช่ทางผลทุกนะคิดผิดคิดใหม่ได้นะสัญญาแก้ไขได้ตามเหตุและปัจจัยตอนเรายังโง่อยู่เราก็ตั้งสัจจะกับตัวเองแบบนั้นเมื่อฉลาดแล้วก็เปลี่ยนคำว่าสัจจะเราเราไปมั่วไปยุ่งกับคำว่าสัญญาบอกตั้งสัจจะไม่น่าจะพูด นะอธิษฐานโอเคสัญญาโอเคแต่ถ้าสัจจะปุ๊บไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้สัจธรรมนี่อีกกี่ล้านปีก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ทำดีดๆทำชั่วๆนะอันนั้นคือสัจธรรมส่วนอธิษฐานเอ่ยหรือหรือสัญญาเอ่ยเนี่ยนะสัญญาเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุและปัจจัยแต่เราต้องไม่มีเจตนาที่จะโกหกเขาขอให้พ่อครูช่วยอธิบายเกี่ยวกับเทพ หรือพระอริยสงฆ์ที่บรรลุธรรมไปแล้วสามารถแยกดวงจิตหรือติดต่อสื่อสารกับคนที่เคยมีความเกี่ยวข้องกันมาได้อย่างไรคะอยากเป็นเหรออะไรที่ไม่เกี่ยวกับการพ้นทุกข์นี่อย่าไปเสียเวลาแม้กระทั่งหนึ่งนาทีชีวิตเราร้อยปีไม่ต้องไม่ใช่เฉลี่ยนะไม่ถึงหรอกเฉลี่ยเจ็ดสิบปี ร้อยปีของเราเนี่ยสั้นมากเท่ากับข้างบนหนึ่งวันมแมลงเม่าเนี่ยพอมันมีปีกปุ๊บนี่ชีวิตของมันหนึ่งหนึ่งชาติของมันเท่ากับเราหนึ่งวันมันบินเข้ากองไฟหมดมันบอกยาวยาวนะพวกที่ว่าสื่อสารได้พวกเราระลึกชาติได้เห็นไหมอันนี้เป็นตอนนี้ไม่เชื่อเรื่องอดีตชาติไม่เชื่อเรื่อง เ, อเรื่องชาติก็ไม่เป็นไร แต่ยัพิงปฏิเสธมันเป็นถามว่ากราบไหว้พระเจ้าไหมทุกคนกราบหมดไม่เคยเชื่อพระองค์เลยวิชาแรกพระเจ้าตัดสูค้คือบุพเพนิวาสานุสติยานยานรู้วิธีการระลึกชาติสมัยเป็นพระเวสสันดรเป็นน่นเป็นนี่เป็นเป็นมาหมดแล้วเนี่ยก็วิชานี้ทําให้พระองค์ไปเห็นเรื่องเวียนไหว้าตายเกิดเรื่องบาปบุญคุณโทษนั่นคือประสบการณ์จริงๆไง ไม่ใช่ไปนั่งเทียนคิดเอาเองนะอันนี้ก็เป็นอภิญยาอย่างหนึ่งแต่มันเป็นโลกียะอภิญยามันไม่ใช่ทางพ้นทุกข์แต่ไม่ใช่มันไม่มีที่จิตสื่อจิตแล้วสื่อคนนั้นได้ยกตัวอย่างนะเอาหยับหยาทุกคนเคยมีประสบการณ์ตรงนี้แหละเกิดมาชาติหนึ่งเจอในกอไม่เคยเห็นหน้ามันเลยนะเจอครั้งแรกถูกชะตามากมาก พอไปเจอในขอมันไส้วิทยาศาสตร์ตอบสิทำไมไม่มีเหตุผลมันเป็นเรื่องจิตสื่อจิตขึ้นจิตเดิมเนะ่มันเป็นกระแสะกรรมเก่าอยู่ในจิตเราเนี่ยนะถ้าเราฝึกวิธีนี้ บ, บ่อยๆนะถ้าทุกคนมา บ, าบ่อยๆนะเราจะเห็นนะนะมีครั้งหนึ่งเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง แต่จิตเดิมเขาเป็นนันทบุเรงแล้วมาเจอผู้ชายคนหนึ่งมาจากเพชรบุรีถ้าอายุไขแล้วผู้ชายคนนี้อายุมากกว่าผู้หญิงคนนี้นะก็เป็นโรค ล, ลมชักเข้ามาปฏิบัติไม่รู้จักกันผู้หญิงคนนั้นลงจากรถมาออมาศาลาพรุ่งนี้ วิ่งไปกูจะฆ่ามึงเขาทำท่าแรงเนี่ยพอไปถึงตัวพวกเขาก็กระเทือบหลังเขาเบาๆกูจะฆ่ามึง <Yeah. S 1> ผู้ชายกันพอถูกกระทบปุ๊บบอกขอโอโสิกรรมมันไปสปาร์กเลยนะคนหนึ่งเป็นนันทบุเรงคนหนึ่งเป็นเจ้าเมืองตองอูมันมาล้างโปรแกรมกัน และสุดท้ายผู้ชายคนนี้พอปฏิบัติแล้วโรคลมชักก็หายก็มาบวชอยู่กับพระครูตอนนี้หกพรรษาแล้วเรื่องพวกนี้ฟังหูไว้หูเห็นก็สักแต่ว่าเห็นอย่าเพิ่งด่วนสรุปเดี๋ยวเราจะพาดโอกาสนะมันก็เป็นอภิญยาอย่างหนึ่งนะอภิญยาที่ผู้เจ้าตัดไว้มันมีแปดข้อนะ เจ็ข้อแรกเนี่ยจะเป็นหูทิพตาทิพหรืออะไรก็ช่างเนี่ยแม้กระทั่งระ ล, ลึกชาเนี่ยมันเป็นโลกิยะอภิญญาซึ่งจิตเดิมเรามาฝึกมาแล้วมันก็พาเราไปดูการไปเห็นอดีตนี่มีประโยชน์แต่ถ้าไปหลงมันเนตเป็นโทษไปเห็นเพื่อพระพุทธเจ้าก็ไปเห็นพระองค์ไปเห็นเรื่องเวียนว่ายตายเกิดบาปบุญคุณโทษไงแล้วก็วิชาที่สองพระเจ้าตัดสั้ก็คือ ทำไมเกิดเป็นผู้หญิงทำไมเกิดเป็นผู้ชายทำไมเกิดมาไอคิวสูงไอคิวต่ำเกิดมาแข็งแรงไม่แข็งแรงที่พระองค์ไปเห็นอดีตเนี่ยพระองค์ไปเห็นอดีตของพระองค์เองพระองค์จึงไปเห็นเรื่องกรรมเป็นตัวกาหนดจตุปาตยานวิชาที่สองคื อ, อยานรู้ว่าด้วยการเกิดเพราะกรรมตายเพราะกรรมไม่ใช่พระเจ้าที่ไหนกาหนดกรรมเรากาหนด ทีนี้พระองค์ก็ไปตัดสรุเห็นว่าเราเผอรสร้างกรรมมาตั้งหลายร้อยหลายพันชาติแล้วจะมาใช้ชาติเดียวมันจะหมดได้อย่างไรบางคนไม่เชื่อว่านั่งวิปัสสนากรร ม, มาฐานเนี่ยมันจ่ายหนี้กรรมได้นะมันก็ไม่น่าเชื่อหรอกแต่บางศาสนาเนี่ยเขาทําช่วงมาวันอาทิตย์เขาก็เข้าไปโบสถ์วิหารเขาก็ไปไปภาวนาไปพูดความจริงให้ฟังเขาก็ระบายได้ได้ระบายเฉยๆนี่ยแต่โปรแกรมกรรมมันยังอยู่ แต่ถ้าเราเข้าไปในจิตจนได้เนี่ยเห็นไหมเราเข้าไปในเว็บไซต์ทําไมเราล้างเว็บไซต์เราได้แต่ไม่ใช่ว่าล้างง่ายๆนะกรรมดีเราต้องต้องไปรับกรรมดีต้องไปเสพกรรมดีนั้นกรรมดีก็ต้องล้างทิ้งเอากรมดีล้างทิ้งทําไมถ้าไม่ล้างทิ้งนี่เราจะไปเสียเวลาเป็นเทวดาอยู่ตั้งไหลถ้าคิดเป็นปีนี่ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีนะทำดีทําแค่พอดีแต่อย่าไปติดดี ปิดดีเมื่อไหร่เป็นกรรมดีแล้วก็กรรมชั่วเราต้องรับรับด้วยความเจ็บปวดรู้สึกทุกข์ในกรรมฐาเนเี่ไหมร้องโหมร้องไห้ทุรนทุรายอย่างชีวิตจริงเนี่ยเราถูกลดชนขาหักรู้สึกยังไงเจ็บใช่ไหมสุขหรือทุกข์ทุกใช่ไหมแล้ก็จ่ายนี่กรรมจากความรู้สึกทุกข์พอเราเข้าไปในจิต มันก็ทุกเหมือนกันไงก็ความรู้สึกทุกเนะ่แต่ชีวิตเราข้างนอก น, นี่จ่ายดอกเบี้ยแต่เข้าไปในจิตจ่ายเงินต้นด้วยบางทีชั่วโมงหนึ่งหลายชาติฟังหูไว้หูอย่าเพิ่งด่วนสนุปปฏิบัติอย่ากล้กากลัวๆเทชีวิตให้กับจิตเลยจิตเป็นนายกายเป็นบ่าว ถ้าเราเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมบางคนก็ไม่เชื่ออีกฉันไม่เชื่อกฎแห่งกรรมไม่ใช่เรื่องเต่าล้านปีไม่ใช่เรื่องล้าสมัยนะกรรมคือการการะทําเราทาสีขาวเนี่ยแล้วจินตนาการว่าเดี๋ยวมันแหนะ้งแล้วจะเป็นสีแดงสวยๆเนี่ยมันไม่ได้คุณทําอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นนี่คือกรรมไงเราทาสีขาวก็ต้องเป็นสีขาวทาสีดําเป็นสีดํามันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาแต่ตอนนี้พูดถึงเรื่องกรรมปุ๊บขียกลไ ực, ไ Flame, Todd, ายเป็นเรื่องไร้สาระกลายเป็นเรื่องที่ไม่ไมน่าหรือไม่น่าเชื่อ มันไม่ใช่เรื่องเชื่อไม่เชื่อมันเป็นเรื่องความจริงเราทำอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นคุณคือสิ่งที่คุณทำนะก็เอาเป็นว่าเรื่องอภิญยาญาณต่างๆเนี่ยถึงมันจะเกิดขึ้นกับเราจริงๆนะนะสัตววารู้สัต่ว่าเห็นเนี่ยอย่าเสียเวลากับมันเหมือนเราไปเห็นอารมณ์ในอดีต มันมีสองอย่างนะที่เราเห็นอันหนึ่ ง, งกรรมดีกรรมชั่วอันที่สองไม่ใช่กรรมเป็นกิริยาเป็นประสบการณ์เดิมสมัยก่อนชั่ววัตอนนี้ชาตินี้เราฝึกพุทโธหลวงปู่มั่นเป็นคนตั้งทฤษฎีพุทโธขึ้นมาโดยเอารมณ์หายใจเป็นตัวกําหนดยี่สิบสาปีเราก็พุทโธอยู่ทังนั้นถามว่าเราติดไหมไม่ใช่ติด มันไม่ใช่กรรมดีกรรมชั่วมันเป็นอุบายวิธีเป็นกิริยาอันนี้ไม่ใช่เรื่องติดไม่ติดมันเป็นเทคนิคที่จิตมันมันใช้เทคนิคตรงนี้เป็นที่เกาะเพื่อมันจะไม่ต้องไปสร้างโมโนกรรมนะทีนี้ประสบการณ์จิตเดิมมันเคยฝึกในแล้วมันก็เอาวิชานั้นมาฝึกแต่ว่าเรากลาลังไล่ลามอยู่เนี่ยดีกว่าเรากําลังคิดไหมดีกว่าแน่ คิดมันก็สร้างมานกวกรรมพุ่งสร้างอย่มันก็ไ ล, ล่ล้ำมันก็เจริญสติมันก็สะสมสติไปเรื่อยๆนะแต่เราต้องดูดเวลาไล่ล้ำอยู่นะมันมีความรู้สึกมีความสุขก็สักแต่ว่ารู้อย่าไปหลงติดความสุขนั้นแค่นั้นเองอย่าไปติดมันแต่ไม่ใช่ว่าไม่ให้ไม่ให้มันแสดงแต่ที่นี้เรามาอยู่ที่นี่เช้าสายบ่ายเย็นเนื่องจากคนหมู่มาก ใหทางโลกต้องรู้กาละเทศะทางโลกต้องรู้กาละเทสะในทางธรรมต้องมีสติรู้ว่าเวลาไหนเหตุปัจจัยมันเป็นอย่างไรนะเป็นการฝืนกิเลสตัวเองด้วยข้างนอกเรียกกิเลสข้างในเรียกว่าอนุสัยทำเพราะชอบชอบชอบชอบอันนั้นเสริมกิเลส ที่นี้ตอนเช้าสายบ่ายเย็นเนี่ยโปรแกรมทำอย่างไรเราทำตามโปรแกรมเราไม่ปล่อยให้จิตอิสระร้อเเซนเพราะว่าชีวิตเราต้องอยู่ข้างนอกถ้าเราไปตามข้างนอกก็ตามใจข้างในก็ตามจิตพอออกไปอยู่ข้างนอกใช้ชีวิตข้างนอกก็ทำตามจิตอิสระแบบไปทำลายสมุิบัญญัติเนี่ยเป็นการสร้างกรรมใหม่ชีวิตเราต้องอยู่ข้างนอกเราต้องมีสติคุมจิตเดวได้ คุมปัญญาเราได้สติปัญญาไปด้วยกันนะอันนี้เป็นการฝึกว่าเราจะให้จิตเราทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ถ้าเราตามใจจิตจิตมันไม่มันต้องการปลดปล่อยตัวเองมันไม่สนใจสมมติบัญญติทั้งนั้นแหละบางคนมีปัญหานีกลับไปมีปัญหาถือว่าบางครั้งเราต้องฝืนนี่แหละเพราะบางครั้งเราเป็นคนฝืนตัวเองไม่ได้เมื่อเรามาปฏิบัติหมู่คณะเนี่ยเราต้องอาศัยอุบายว่าเราอยู่ด้วยกันคณะเนี่ยทางกรุงเทพ รายงานพา่อครูอยู่เนื่องจากว่าสถานที่มันก็แคบแคบคนเก่ามาก็เอาละลำระเลงใหญ่เลยคนใหม่มากว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นวะมันไปกระทบคนใหม่เขาและเราเองก็ไม่เคยฝืนตัวเองเลยเนี่ยมันเป็นการสนองกิเลสแต่ถ้าชั่วโมงที่มันกำลังไล่ลำชั่วโมงที่มันเวียงเนะ่เอาเลยแต่ต้องเวียงอยู่ในกรอบที่คิดว่าเราก็ไม่ต้องกระทบคนอื่น นั่นแหละเมื่อเราฝึกตัวนั้นฝืนตัวเองหน่อยนึงพอชีวิตจริงเราเนี่ยเราก็ฝืนกิเลสตัวเองได้นะอันนี้ต้องเข้าใจเนาะโอเคจบดีกว่าไม่งั้นมันไม่ยอมหยุดเนาะโอเคนะสุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในส า, นากลจักรวาลพร้อมทั้งบุญบรารมีที่ได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติมาได้คุ้มครองทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืน บรรลุมรผลนิพพานโดยวัยเทิน